อาจารย์ครับกล่าวนามสักการครับผมจเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านครับพอาจารย์ครับพระอาจารย์วันนี้ได้ไปบินทบาตวันหยุดวันพระไม่คนมาใส่บาทเยอะไหมครับผมก็ประมาณ6ก4อยสี่คนห<อ>ก้อยสี่คนโก็เยอะเลยนอน้สามอยี่สิบสองครับ<ๆ><ม>อสีเพราะว่ามันเป็นวันพระกับวันอาทิตย์ ทองสวันรวมกันครับระยะกกระทยาวันละสามร้อยกว่าครับคนฟังทมหน้ากูด ก, ก็เยอะครับ 160, อาจารย์ครับร้อยหกสิบใช่ไหมครับเออนี่ร้อยกว่าครับก็แล้วแต่นิจจำมาบ้างร้อยบ้างคนพูดก็พูดเท่าเดิมแล้วะ ค, <ๆ>คนพูดก็ดเท่าพูดเท่าเดิมดที่เหคนสองคนพู่คุณวอนนี่ก็พู ด, พดทำ พูดเท่าเดิมตลอด <c oughs> อครับผมพระอาจารย์ <c oughs> วันนี้ผมตั้งหัวข้อเรื่องสวรรค์นรกแดนนารมิตปรากฏว่าตอนนี้มีคนมารอฟังอยู่หกร้ยห้าสิบ้าคนนะครับพระอาจารย์ <c oughs> แสดงว่เาเป็น topic ท็อปปิกที่ที่ใครๆก็อยากอยากรู้ครับพะระอาจารย์สวรรค์มีจริงหรือไม่นรกมีจริงหรือไม่อ๋อครับถ้าไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติธรรมมันก็อยัาไม่รูนะ้เพราะว่าเราไม่เห็นตัวตัวที่สมัมผัสกับ แลร่ล ก, กับสวรรค์คือตัวจิตแล้วเอาจิตมารวมไว้อยู่ที่ร่างกายเราบอว่าร่างกายนี้เป็นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทั้งร่างกายเป็นทั้งผู้ที่เห็น ท, ทู้ตีได้ยินได้ฟังแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดแต่ความจริงแล้วร่างกายนี้กับยังมีนอกจากร่างกายแล้วยังมีอีกส่วนหนึ่งคือใจที่เรามองไม่เห็น ที่มาที่มาร่วมประกอบภารกิจภารกิจก็คือพระตอบสนองความอยากของใจนี่เองใจนี้ใจนี้มีความหลงที่ทำให้ไปคิดว่าความสุขการที่ใจจะมีความสุขใจจะต้องมาเสพรูปเสียงเกล็ดรสผลเถราก็เลยต้องมามีร่างกายเป็นเครื่องมือ พอได้ร่างกายมาพอคลอดออกมาใจก็เริ่มขวนหาลูกเสียงกินแล้วดูเด็กมันร้องใช่ไหมออนอ่นม่ลองพอนอนแล้วมองขึ้นไปเพดานไม่มีอะไรให้เห็นนะก็ร้องบางทีพ่อแม่ก็ต้องหาปลาปลาเป็นปลาทองสมัยก่อนโบราณมอแขวนตอนเด็กแค่เห็นอะไรเห็นลูกก็เกิดความเพลิดเพลินก็หยุดร้องไปเด็กที่มันร้องว่ามันหิวหิวลูกเสียงกินลดต่างๆ อันนี้มันก็อยากได้ย่างอื่นต่อมันก็ลองทำที่อยากได้มางคือตันาความอยากที่มีในใจนี่มันทางานตลอดเวลาลทีนี้เวลาเราเสร็จเลื่อกเสียงกีรลดต่างๆนี่เราก็จะเกิดความสุขบ้างทุกบ้างไม่สกไม่ทุกบ้างแล้วทีนี้เวลานอนหลับนี่เวลาที่เราไม่สามารถ เ, เลูกเสียงกีดรถผ่านทางตาหูจมูกนิ้งกายนะเพราะช่วงที่เราอ น, นหลับนี้ร่างกายมันจะไม่ทาํางานใช่ไหมตาหูจมูกนิ้งกายเนี่ยไม่ไม่รับไม่รั บ, ล, บลูกเสียงกีดรถถอดแต่ภาพมาให้ใจใจนี้ก็เลยต้องอาศัยลูกเสียงกีดรถที่ได้สะสมไว้ที่ได้ไปสัมผัสมาในแต่ละวันที่เราไปทําอะไรต่างๆนี้มันถูกบันทึกไว้ในสัญญาณ แล้วแต่เราตื่นขึ้นมาจะเท่าถึงเราหลับเนี่เหตุการณ์ต่างๆที่เราไปสัมผัสมามันเฝ้าอยู่ใน ใ, นใจเราในในในในสัญญาความจำเพียงแต่ว่าเรามักจะไม่มีความสามารถที่จะดึงความจํานี้ออกมาได้เพราะเรามันมีข้อมูลเยอะเลเกินเมื่อวานนี้เราเล่าประทานอะไรเราก็ยังจําไม่ได้ที่นั่งคิด แต่มันสองอยู่ในใจถ้ามีเวลานั่งคิดไปเรื่อยๆมันย้อนกลับไปมันก็สามารถที่จะระลึกได้เป็นคนที่ระลึกชาติได้เขามีสติที่มัน่นคงมีสติมีสมาธิที่นิ่งใจเขานิ่งแล้วเขาสามารถย้อนอดีตไปย้อนถึงภพชาติต่างๆนี่คปสัญญาอัญญานีนเป็นตัวที่คอยบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เราทำไว้ แล้พอเวลาที่เรานอนหลับเนื่องจากที่ใจมันยังคิดกับรูปเสียงกลิ่นรสอยู่มันก็เลยเอาสัญญานี้เอารูปเสียงกลิ่นรสที่ได้บันทึกไว้มาเสกมาปรุงแต่งด้วยสังขารสังขารกอดเรื่องมาต่างๆที่ได้บันทึกไว้อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกับที่เราทาแต่มันมีเรื่องบางที่คล้ายๆกันที่มาแล้วแต่สังขารจะคิดปรุงแต่งไป นั่นแหละก็คือความฝันเนี่ยนอนหาาลับแต่ร่างกายพักแต่นามันขันไม่พักเนี่ยวิถีาสัญญาสังขารวิญญาณยังทำงานต่อว่าความความอยากของใจมันเป็นตัวกระตุ้นให้สังขารนละสัญญาออมาสร้างรูปสิ่งกิรลให้ให้จได้เสียต่อในช่วงที่นอนหลัะอาของเก่ามาปรุงใหม่ ข อ, ของที่เราไปทํามานี้มันจะเป็ น, นวัตถุนินพานใจก็เอามาปรุงใหม่ก็เลยมีความฝันบางทีก็ฝันดีบางทีก็ฝันร้ายใช่ที่ฝันดีก็คือเอาเรื่องราวที่ดีที่เราทําไว้เอามาปรุงแต่งเช่นถ้าเราไปทําบุญทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมให้กับคนนั้นคนนี้ช่วยเหลือคนนี้นคนนี้มันก็จะเป็น มันก็จะส่งข้อมูลที่ดีมาให้สังขารคิดปรุงแต่งสังขารก็ปรุแต่งเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่มีความสุขแล้วก็เรียกว่าผลดีแต่ถ้าเราไปทําบาปไว้ทําเรื่องเราที่ไม่ดีต่างๆไหน่แล้วถ้าเกิดบาปที่มันมีมากของบุญเนี่ยบาปมันมันก็จะโผล่มันก็จะเป็นตัววัตถุดิบให้ใจให้สังขาเรเอามาคิดปรุงแต่ง แต่ในเรื่องเป็นลาวตัวสังขารเนี่ยเป็นตัวเนรมิตเนี่ยเอาสัญญาเอาเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตถ้าเป็นบุญก็เอาเรื่องที่ดีมาเนรมิตฝันฝันดีฝันในเรื่องที่ดีถ้าเป็นบาปมัก็เอาเรื่องที่ไม่ดีมาฝันเป็นเรื่องที่ฝันร้ายนี่คือสภาพของจิตเวลาที่ไม่มีร่างกายหรือเวลาที่ร่างกายไม่ทํำงานชั่วคราวเช่นตอนที่นอนหลับ จิตก็จะอยู่ในแดนฝันในแดนหนึ่งที่สมอพูดถึงนี่ทีนี้เวลาตายไปก็จะเหมือนกับหลับยาวช่วงที่หลับยาวนี่ก็เป็นช่วงที่จิตที่ยังหิวโหยกับรูปเสียงเกลื่อนรถอยู่ก็ต้องอาศัยสัญญาความจำที่เปจำเหตุการณ์ที่ได้ทำไว้ก็อยู่กับเหตุการณ์ที่เราจำไว้ส่วนใหญ่จะเป็น บาปหรือบุญที่ทำไว้ถ้าส่วนใหญ่เป็นบาปมันก็จะเอาเรื่องของบาปนี้มามา่องมาคงแต่งให้เป็นเรื่องเวลาที่ที่ที่หวาดกลัวหรือที่หน้าหน้าออที่โหดร้ายทันหรือหน้าอะไรต่างๆที่ไม่น่าดูนั่นคือสภาพจิตใจในช่วงที่ไม่มีร่างกายถ้าทำบาปไวมากกว่าบุญบาปมันก็จะผลิต เรื่องราวต่างๆที่น่ากลัวเรื่องที่แต่เป็นเรื่องความทุกข์ความาทรมารย์ารุณนัยต่างๆขึ้นมาให้เสกี่ก็มัมนมันก็แบ่ไว้สามสามสามส่วนด้วยกันเรื่องของบาปนี่ถ้าเราทําบาปด้วยความโลภมันก็จะมีเรื่องที่ทําให้ให้ใจนี้มีแต่เรื่องความหิวโหยเพราะความโลภ ก, ก็คือความอยากได้มากได้น้อยเท่าไหร่ก็ไม่อีกมไม่พอ มันก็จะฝันว่าอยู่ตอกอยู่ในสภาพที่หิวโหยขาดนู่นขาดนี่หามาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พออันนี้ก็เป็นสภาพของดวงวิญญาณที่เรียกว่าเปรตถ้าทํำบาปด้วยความกลัวมันก็สะสมเลยเราเรื่องหน้าหวาดเสียหวหาดกลัวต่างๆ ม, มันก็มาฝันเรื่องที่มันน่ากลัวต่างๆนเลาที่นอนอินทรีย์ที่เป็นโยงวิญญาณไม่มีร่างกายมันจะฝันแต่เรื่องที่น่ากลัว ถ้าทําบาปด้วยความมาคาตพยาบาทร่างแค้กันจองเวรจองกรรมกั น, กนมันก็จะฝันว่าจะมีแต่เรื่องรากับคนนั้นคนนี้ต่อสู้กับคนนั้นคนนี้ฆ่าฟันกับคนนั้นคนนี้อันนี้เราก็เลยวนตัวลงในช่วงที่ที่ไปยังไม่ได้ร่างกายแล้วถ้าเกิดไปได้ร่างกายก็ยังจะไม่ได้ร่างกายของมนุษย์ท่านบาปจะมีที่พน ความงามใจแบบมันจะให้ไปได้ร่างกายของสัตว์เดราาัจฉานนี่คือเรียกว่าฝ่ายทุกขติที่เรียกว่าฝ่ายนรกหรืนฝ่ายอบายนี่อันนี้ก็ปรากฏึ้นในใจมันมันไม่ได้เป็นสถานที่ที่ใจเราทั้งหลายไปรวมกันในที่เดียวกันมันเป็นเรื่องของใจแต่ละดวงที่จะากลิตขึ้นมาในอะไขึ้นมา ด้วยสัญญาและสำคัญความคิดปลุกแต่งและความจะได้มาใรู้มันก็จะทำอย่างนีจนกว่าอิทธิพลของบาปมันหมดกําลังมันลดระดับลงมาเท่ากับบุญเพราะเราอาจจะทําบุญมาด้วยทําบุญด้วยทําบาปด้วยระดับบุญเราอาจจะน้อยกว่าระดับบาปบาปมันก็เลยมีอิทธิพลต่อใจแต่พอกําลังของบาปมันลดลงมาเท่ากับกําลังของบุญ มันก็ไม่สามารถผลิตเรื่องบาปได้บุญก็ไม่สามารถผลิตเรื่องบุญไนดะ้เพราะว่ามันมีฝ่ายเท่ากันห้าสิบห้าสิบนี่จวนั้นก็ดวงวิญญาณก็จะไปรอับร่างกายหมของมนุษย์แล้วแต่จังหวะว่าใครใครตั้งครนภเรเป็นจังหวะที่อันนี้เราไม่ทราบกลไกว่าได้ไมาอย่างไรแต่ก ไม่ช้าก็เลยก็จะได้ร่างกายของมนุษย์ <Okay. S 1> แล้วก็พอพอกอ้อนจากท้องแม่มาก็เหมือนเติมขึ้นมาดึงตาขึ้นมาได้ร่างกายหมมาจากสวรรค์หรือมาจากอบายก็เหมือนกับว่าเติมั น, ก, น, นมก็เหมือนกับว่าฝันร้ายหรือฝันดีไปในในด้านของบุญถ้าเราทำบุญมากกว่าบางบุญมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ดีให้เรามีความสุข ได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ได้ไปสัมผัสกับรูปเสียงเกียรติที่ที่มีแต่ความสุขเราก็เรียกว่าสวรรค์ชั้นต่างๆนี่แหละคือนรกสวรรค์ใครว่านารกในอกสวรรค์อยู่ในใจก็อยู่ในจิตของเราเนี่ยครับจิตใจของเราเป็นผู้สะสมนรกสะสมสวรรค์สะสมสวรรค์ด้วยการทำหน้าทาบาของเราเนี่ พวะพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ยิ่สอนให้ละการกระทำบาปทั้งปวงอย่าไปสร้างอย่าไปใ น, เ, นเรื่องราวที่น่ากลัวที่เต็ไมไปด้วยภาพทุกข์รูปแบบต่างๆให้สร้างบุญสร้างกุศลตั้งหลายให้ถึงพร้อมสะสมบุญไว้ถ้ายังไม่ได้ชำระจิตใจใสะาอาดโดยสุดอย่างน้อยถ้าทำสองข้อแรกไม่ได้เวลาตายไปก็จะอยู่ในสุคติ แล้ท่านท 3, ข้อที่สามที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทหําได้ก็คือทำร่างใจให้สะอ า, าดบริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติภาวนาํำจัดความลบก่อนหลงให้หมดสิ้นไปอยากใจได้เจ็ดก็เป็นนิพพานแปพอเป็น น, นิพพานไม่มีลบก่อนหลงไม่มีความอยากที่ยนยงจิตให้มาเกิดอีกต่อไปเพราะไม่มีความอยาก ไม่ต้องใช้ร่างกายก็ไม่ต้องมาเกิดก็ยืดยืดเตะลงเรื่องนารบสวรรค์ต่างๆก็หมดไปสำหรับผู้ที่ผู้จิตของจิตผู้ที่เป็นนิพานจะเรียกว่าเป็นเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดกันได้เป็นสวรรค์ที่ถาวรไม่เหมือนกับสวรรค์ที่ได้จากการทําบุญมันรอได้เสร็แล้วมันก็เสื่อมหมดมันหมดไปแล้วพอมันหมดไปมันก็จะทําให้ใจ รามาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หน้าร่างกายของมนุษย์ใหม่สำหรับพวกที่ไปอยู่ในอาบายก็เหมือนกันเพราะบาป ท, ที่ส่งให้ไปอาบายมันหมดกำลังใจก็กลับมานอนรับร่างกายใหม่แต่คนที่มาเกิดที่มาจากที่ต่ำกับมาจากที่สูงยังมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันคนที่มาจากอาบายนี่ยังยังมีนิสัยติดนิสัยไม่ดีติดตัวมาถ้าอยาฆา่าพยาบาทก็จะมีอาฆาตพยาบาท ถ้าโลกถ้าถ้ายังเป็นเปรตมันก็ยังเป็นเปรตติดมาขับใจอยู่ส่วนคนที่ลงมาจากสวรรค์ก็จะเป็นคนที่ใจบุญสุนทานลงมาแล้วก็จะชอบทําบุญทําทานชอบรักษาศีลเราจะมีคนที่ไม่เหมือนกันที่มาเกิดในโลกนี้แม้แต่มาจากพ่อแม่คนเดียวกันก็ไม่เหมือนกันนิสัยทุกทุกางคนก็ บาคนก็ชอบทำบาปบางคนก็ชอบทำบุญ อ, อยู่พ่อแม่คนเดียวกันพ่อแม่ให้ได้แต่ล่างกายแต่ไม่สามารถรอบจิตใจของพ่อแม่ให้คุณได้จิตใจนี้ของใครของมันมีกรรมเป็นผู้ให้ให้กับจิตใจมีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดจะมากำเนิดเป็นจิตใจที่ดีหรือจิตใจที่เลวก็อยู่ที่บุญที่บาป ท, ที่ทำไว้ นี่ก็คือเรืนรกสวรรค์เรื่องดวงวิญญาเรื่อกอดแห่งกรรมนี่มันก็อยู่ในตัวจิตตัวเดียวนี้มีเห็นภาพชัดเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับแล้วช่วงเวลาของสวรรค์นรกนี้ก็ยาวนานกว่าช่วงเวลามนุษย์ใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะยาวนานถึงเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีใครไปวัดมันไดน้ก็อยู่ที่บุญที่บาปเราทำม า, ม, ามากๆมากหรือไม่เท่าไรแล้วก็ เหมืนมนหอเนเหมือเราหย่อนเลียญเาเครื่องเนียเครื่องสักพราถ้าเราย่อนหลายหลายเหรียญมันก็ทำงานนานหน่อยถ้าเราหย่อนน้อยหน่อยมันก็ควรจะทํางานสั้นหน่อยเนีเป็นลักษณะนั้นนะให้อยู่สวรรค์อยู่นรกดานสวรรค์นรกดานานั้นไม่นานก็อยู่ที่บุนื้อบาต ท, ที่เราสาะสมไว้มันมีมากมีน้อย อาจารย์ครับแล้วอย่างถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะบอกว่าเออเรื่องนี้ยพิสูจน์ไม่ได้แต่จริงๆแล้วในทางพรกกุฎศาสนานี่พิสูจน์ได้ใช่ไหมครับถ้าเราปฏิบัติทำก็เราจะมาพูดนี้เราโมเมพูดได้ไงถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่เข้าใจเหมือนคุณหมอถ้าแม่เรียนเรื่องเรื่องประสาทคุณหมอจะมาพูดได้ไหม <c oughs> พอคุณหมอเรียนคุณหมอจะรู้เรื่องของราวประสาทต่างกับคนที่ไม่ได้เรียนนี่ไหมั่นแหลถ้าเราเนศึกษาทางจิตศาสตร์ดูซ้ะ มาภาวนาเรี่อมาศึกษาพุทธศาสนาแล้วปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าเนี่ยทำสามข้อนีหลักสูตรของพุทธศาสนาสั้นๆน่น า, าการกระทำบาปสร้างบุญสร้างบุศลแล้วก็ชำระจิตใจให้สะอาดด้วยการบำเพ็ญจิตภาวนาการภาวนาเนี่ยจะทําให้เราเข้าถึงตัวจิตพอเราภาวนาะ ปกติจิตของเราจะถูกดิเลผ่านดนให้ออกไปมองข้างนอกมองที่ทางตาจมูกนิ้กายพอเรานั่งสมาธิเราดึงมันกลับเข้ามาข้างในดึงกระแสจิต ท, ที่ส่งไปทางตาจมูกนิ้กายทางกระแสของวิญญาณนี้ให้อดเข้ามาอยู่ในใจอดบ้าเข้ามาจนห้ามรูปเสียงกิริยาหายไม่หมดมันก็เหลือแต่ตัวจิตตัวเดียวตัวรู้ตัเดียวยๆได้สัมผัสได้เลยบางทีท่นเรียกว่าเอกขกตาลง มีอารมณ์เดียวคือเกิความรู้หรือผู้รู้บางรู้เนี่ยเอาไอ้ตัวนี้มันกลาร่างกายเนคนโ ต, ตกันนะแล้วก็เราเห็นเห็นเวลาไอ้ตัวนี้คิดไม่ดีความสุขความทุกข์มันคิดดีไม่ดีความสุขความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาทันทีครับต้องพิสูจน์ด้วยการภาวนาเท่า น, นั้นครับภาวนาปฏิบัติภาวนาคิดถภาวนา อันนี้เปนเมือการวิธีหมอศึกษาเชื่อโลกนี้ก็ต้องใช้กล้องจุลทัรรศนะสั่งมือเข้าไปดูเซลล์ต่างๆเนียอันนี้ก็เหมือนกันกล้องจุลทรรศนะดูใจก็คือการภาวนาการเจริญสติทำเจ็ดแห่งรวมเป็นรู ป, ปรชาติอารมณ์ปปชาตเราจะเห็นระดับของจิตต่างๆทำไมรู ป, ปรชาตไม่ต้องสี่ขั้นทำไมอารมณ์ปปชาตไม่ต้องมีกสี่ขั้นมันมีจริง ถ้าเราไม่ใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องเข้ไปดูเราก็มองไม่เห็นนี่มันตัวเชื้อโรคที่มีตัวเซลล์ที่มีอยู่ในร่างกายเราเนี่ถ้าเราไม่มีกล้องจุลทรรศน์เราจะมองไม่เห็นเหมือนเซลล์แต่ละชนิดมันไม่เหมือนกันรูปร่างลักษณะไม่เหมือนกันครับอันนี้เข้าใจมากขึ้นนะครับอาจารย์ครับอลองเอาเวลาไปดูเดี๋ยวเราจะเกิดความเข้าใจขึ้นไปตามมัน แล้วสายธรรมะที่พระเจ้าส่งส อ, งเอนเนี่ยมันยิ่งจะทําให้เราเข้าใจนึกซึ้งมากขึ้นถ้าไม่มีธรรมะก็อา จ, จะเข้าใจในระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่เข้าถึงระดับที่พระเจ้าได้สง่งส่งคือระดับวิปัสสนานี้ไม่มีใครรู้ระดับเรื่องของกิเลสตัณหาไม่มีใครรู้ว่าเป็นต้นเหตุที่สร้างความทุกข์ให้กับใจที่ทำให้ใจเราเห็นว่ายตายก่า ก่<ข>อนที่ผู้ จ, จะตอนที่ผู้ จ, จะถัจจะดจะรู้ก็มีกนเข้าเข้าฌานได้เข้ า, า, ารูปฌานเข้ารูปฌานได้แต่รู้เพียงแค่ระดับของฌานของสมาธิไม่รู้เรื่องวิปัสสนาไม่รู้เรื่องไตรลักษณ่รูเรื่องอริยสัจสี่ผมว่าเพื่อนเพื่อผู้ฟังฝั่งแค่นี้ก็ตอกย้ำความศรัทธาได้มากนะครับอาจารย์ครับว่ามีทางพิสูจน์ได้นะครับ เดี๋ยวขอโอกาสอาจารย์ถามคำถามจากเพื่อนบ้านนะครับอาจจะมีคนส่งคำถามเรื่องสวรรค์นรกมาเพิ่มอีกครับคุณ <c oughs> Good m อน n ิ n g ครับบอกว่าตื่นนอนมาตอนตีสามตีสี่บ่อยตื่นมาแล้วมีความกลัวกลัวอะไรไม่รู้ครับทำงานเป็นตำรวจเห็นคนตายต่อหน้าคิดว่าอาจจะมีวิ ญ, ญญาณเขามาขอส่วนบุญด้วยครับจะต้องทำอย่างไรครับมันก็เป็นเป็นเาเรียกาอาการพีพ d ทอสดี PTSD, ่ไหม ท, ที่ไปไปเจอเหตุการณ์ที่น่ากลัวต่างๆที่ เสีเป็นเสียงตายนี่มันจะมีกับยมีนมอนกระทบต่อจิตใจแม้ว่าของความกลัวมากเหมือนกันสัญญาความำจำของเราเนี่ยนะที่ไปไปจำถึงเหตุการณ์ต่างๆที่มันโดหดร้ายทารน้ออันตรายต่อชีวิตอวันเกิดขึ้นมาปั๊บมันอาจจะมีอยู่ลึกๆที่เรามองไม่อาจจะคิดไม่ถึงแต่มันเป็นตัวที่กระตุ้นทําให้เราเกิดความกลัวขึ้นมาก็ได้บวกคนที่ไป ไปสงครามอี่ยพวกทหารอเมริกันเนี่ยมีมีโรคทีเยอะเป็นมาก PTSD ไปแล้วต้องไปเจกับเหตุการณ์ที่ร้ายแรง้าุนหร้ายต่างๆพอเวลานอนหลับเนี่ยบางทีมือนฝันร้ายนะตื่ขึ้นมากลางดึกก็มีพราะมันนอนไม่หลับเนาะเพราะมเหตุการณ์ที่มันหวาดกลัวมากอันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องวิงยงญมาขอส่วนเรมันเรื่องของบัตรเราเนี่ยแหละ ที่เราทําไว้เป็นตัวส่องผลนะครับมันเหมือนกับว่ามันเอาหลังตัวอย่างของนรนลับมาให้เราดู <Okay. S 1> อครับตอนที่เรานอนแล้่ยันก็พยายามอย่าไปทําบาปพยายามรักษาสิ่งแล้วก็พยายามทําบุญให้มากๆให้บุญมันมีกําลังมากกว่าบาปแล้วต่อไปแล้วก็จะไม่นอนผลันได้เราก็จะนอนหลันดีน ทำคุณทำประโยชน์ไม่มีเงินทองมาทำบุญได้ทำทำบุญด้วยการด้วยด้วยกายด้วยวาจาก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินทองเป็นอาสาสมัครทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมเนือช่วยเหลือใครที่เขาเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเรช่วยเหลือเขาไปด้วยแบบที่ไม่ต้องใช้เงินทองเราทาได้มันมีหลายวิธีด้วยกันทําบุญได้เยอะแล้วจิตใจเราจะมีความสุข เราเ่อานอนหลับความสุขนี่แหละมันที่จะมากลบบาปเราได้ที่เราทำไว้ถ้ามันมีกำลังมากกว่าคุณสมพรครับการที่โยมไม่หงุดหงิดแสดงว่ายโยมควบคุมกิเลสตัวเองได้มากขึ้นใช่ไหมครับใช่ความูลเด่นแม้ก็จากความโลภความอยากรือความโกรธเนี่ยคุณวิทรินครับ เคยได้ยว่าคนที่ใกล้เสียชีวิตเขาเห็นท่านโยมทูตอันนี้ทุกคนต้องเห็นเช่นนี้ใช่ไหมครับมันก็เป็นภาพที่มันมันมาจากที่เราฝังอยู่ในใจเรานั่น แ, แต่เห็นทุกคนหรือไม่ก็อันนี้ก็แล้วเราเป็นโยมทูตหรือไม่เราก็ไม่รู้เราก็เพียงแต่ว่าไปอย่างนั้นเองมันก็เวลาใกล้ตายนี่มันก็ จ, จะมีรูปอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาให้เรารับรู้ได้ คุณเอกกราบครับผมผมถวายปัใจจัยให้กับพระเป็นประจำโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของพระไม่ทราบเป็นวิธีการทาบุญที่เหมาะสมหรือไม่ครับก็เป็นที่วิธีที่ทำไดไ้ไม่ผิดพระวิดาไ ด, ได้ทำไ้ามาได้คุณสมพรครับบอกว่ายิดีใจมากที่เอาตัวรู้ไปกํากับกิเลสได้ทันตัวกิเลสจะต้องทำอย่างไรให้รู้ทันกิเลสตลอดเวลาครับ ก็ต้องดูใจตลาดเวลารู้ทันกิเลนมันอยู่ในใจเราเราถ้าเรามีสติมีสมาธิเราก็จะมีความสามารถที่จะรู้ทันกิเลนได้ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิจิตมันจะไปอยู่ข้างนอกเสียพอกิเลสเกิขึ้นในใจก็มองไม่เห็นคุณชัยพลครับ ถ้าหากว่าเราพูดเล่นหยอกล้อจริงบ้างไม่จริงบ้างเพื่อให้สนุกในหมู่เพื่อนจะผิดศีลไหมครับคือถ้ามันศีลห้าศีลแปดนี้ไม่ไม่ผิดเอเพราะศีลห้าศีลแปดนี้เพียงแต่ไม่ให้พูดปลดเท่านั้นเองแต่การพูดเ พ, ะะพื่อเจ้าบูร่านี้สําหรับท่านถรเรียว่าเป็นศีลที่ อ, อละเอียดสําหรับผู้ที่เป็นนักบวชนะแล้วบวชผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพื่อต้องการที่จะ มีความเพ่งคัดต่อวาจาว่าไม่พูดสียาไม่พูดเท็จอันนี้ก็อยู่ในสีห้าสีแปดหรือพาวินหน่อยนอกจากนั้นก็ยังไม่ให้พูดเพ้อเจอ้อพูดร้อนนร่นกันหยอกล้อกันพูดคำหยาดแล้วก็พูดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคีเรียกว่าพูดสอเสียเรียกว่าอยู่ในอกุศลระบบทั้งคุชลกรรมคุชลกรรม แต่ไม่แม้ถือว่าเป็นเป็นการผิดศีลถ้าพูดเท็จเท่านั้นนะพูดปดเท่านั้นเองถือว่าผิดศีลแต่อีกสามข้อพูดเพ้อเจ้พูดส่อเสียพูดคำหยาบนี้ยังไม่ถือว่าผิดศีลสําหรับผู้ที่รักษาศีแลแปดหรือศลห้าแต่สาหราับผู้ที่บผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพื่อต้องการที่จะกําจัดอกุศลเนี่ต้องถือว่าผิดเป็นอกุศลที่จะต้องคอยกําจัดคอยกำจัดทันที คุณพีโก้ครับเราควรกําจัดความคิดฟุ้งซ่านให้น้อยจนหมดโดยการหาเหตุแล้วดับเหตุหรือใช้สติคุมก็พอเพราะความคิดฟุ้งซ่านเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งครับเมื่อก่อนเราต้องใช้สติเพราะที่คิดฟุ้งซ่านก็เพไม่มีสติมือนรถทีวิ่งแล้วไม่หยุดถ้าเราไม่มีเบรกมันก็จะไม่หยุดวิ่งเราถึงต้องไปติมเบรกเวลาถ้าเราไม่ว่าเบรกไม่ดีแเราก็ต้องเข้าไปซ่อมเบรก เพรากเราต้องคอยหยุดหยุดลดทันใัความคิดก็เหมือนรถยุดเนี่ยเราก็ต้องคอยหยุดแต่แต่มันแต่มันก็หยุดเป็นชั่วครั้งชั่วคราวในขณะที่เราใช้สติแล้วถ้าเราอยากจะให้มันคิดไปในทางที่ดีเราก็ต้องเราก็ต้องใช้ปัญญาสอ น, นให้มันคิดไปในทางที่ถ้ามันคิดไปในทางที่ดีแล้วมันก็จะไม่ฟุ้งซ่าน มันจะเห็นว่าเรื่องราวต่งางๆที่ทำให้ผู้สร้างันมันเป็นเรื่องที่เกิดจากความหลงนั่นเองคุณสมพรครับอยากให้มีตัวรู้ตลอดเวลาต้องบริกา ร, รพุโทโธหรือเปล่าครับให้บริการพุโทโธก็ได้ถ้าเราอยู่ในระยะบทเคลื่อนไหวต่างๆเราอยูนั่ง น, นอนกำลังทำงานทําการอยู่ถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดเ้าใจมันไปคิดเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธคอยอยู หรือถ้าเราจะใช้กายยักตาสติหรือาการเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ใจเราต้องเฝ้าดูการเคลื่อนไหวแการกระทํำต่างๆของร่างกายเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นการฝึกให้มีความรู้สึกตัวตลอดเลและนอกจากนั้นก็ยังต้องไปนั่งหลับตานั่งดูลมหายใจเข้าออกหรือนั่งบริกรรมพุทธเถิดเพื่อให้ใจมันเข้าไปถึงข้างในให้มันหยุดนิ่งให้ได้ มันหยุน่งแล้วทีนี้หอใจเริ่มคิดเราจะเห็นเห็นทันทีเลยเจะตามมันทัคุณอีฟครับถ้ากําลังสติไม่สมดุลกับกําลังสมาธิจะเป็นอย่างไรเจ้าคะถ้าสติไม่ไม่มี ส, สมาธิก็ไม่เกิดจิตสมาธิก็คือความนิ่งของจิตเนี่ย การจิตสติไม่มีกําลังหยุดความคิดจิตจะนิ่งไม่ได้ต้องมีสติที่สามารถหยุดความคิดได้ถ้าหยุดความคิดได้สมาธิก็จะเกิดขึ้นมาสมาธิเป็นผลสติเป็นเหตุคุณจริงครับทุกวันนี้แม่อายุเจ็ดสิบแปดปีติดเตียงแม่แฟนแปดสิบหกอยู่บ้านเราทั้งสองคนเราก็ดูแลแต่ก็คิดว่ายังไม่ดีที่สุดดูแลไปบนไปบ้าง ไม่แน่ใจว่าบาปจะมากกว่าบุญไหมอยากทราบว่าลูกๆที่ไม่ดูแลแม่ก็ไม่มีการบ่นแม่ครับก็ไม่จริงหล่กคนที่ดูแลแม่แล้วไม่บ่นทำมี่ยากๆเราเป็นคนที่ยังท่านอารมณ์ของเราไม่ได้ก็เลยบ่นไปเมื่อแม่ไม่ทํำตามที่เราอยากให้เขาทาเราต้องปรับทัศนคติกับแม่ว่าเราเป็นเหมนคนรับใช้แม่แม่เป็นเหมือนเจ้านาย ถ้าเรามองอย่ีแล้วเราก็จะไม่กล้าไปบลนกับเจ้านายในเวลาเราไปทํางานที่ทํางานเราจะกล้าไปบลเจ้านาย้ยมว่าเจ้านายทำไม่ดีอย่างเมื่ออย่างนี้เพราะเขาเป็นเจ้านายเราปัญหาที่เราบ่นระว่างแม่ว่าพ่อแม่เวลาที่เราไปถูกท่านก็คอเราไปคิดว่าเราเป็นเจ้านายของพ่อแม่สั่งได้สั่งให้พ่อแม่กินนะไม่ให้กินอย่างนั้นให้กินอย่างนี้ให้ทําอย่างนั้นให้ทําอย่างนี้น อ๋อพ่อแม่เขาดื้อไม่ยอมทำตามเราเราก็โบยเพราะว่าพ่อแม่ไปพราะเราคิดว่าเราไปเป็นเจ้านายของพ่อแม่แล้วเราปรับสถานภาพของเราใหมา่ปรับจากการเป็นเจ้านายของพ่อแม่มาเป็นคนรับใช้พ่อแม่งั้น <Okay. S 1> เราก็จะไปก่กล้าเราจะคอยครับคราบขาคุณแม่ต้องการอะไรครับคุณพ่อต้องการอะไรต่างให้หนูทำอะไรในฐานะคนรับใช้ต้องเป็นอย่างนี้ แล้ก็จะได้บุญมากการเลี้ยงดูพ่อแม่เนะี่ยมันมันก็นทำบุญกับพ่อแลนะหันเพราะฉนั้นอย่าอย่าปล่อยให้เวลาโอกาสทองอันนี้ผ่านไปเวลาพ่อแม่ตายแล้วคนมาร้องโหยร้องไห้ในป่ายเาเพรเสีย อ, อกเสียใจเองนั่นอย่างนี้ไม่ได้ดูแลพ่อดูแลแมนะ่ตอนนี้ยังไม่สายเกินเกินแก้รีบแก้ทัศนคติของเราอย่าไปอย่าไปคิดว่าเราเป็นเจ้านายพ่อแม่ เราคิดว่าเราเป็ น, ปนคนรับใช้เราเป็นแจ๋วพ่อแม่เราเป็นเจ้าห น, น้าทีเราเราเรอรัาคำสั่งเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสั่งพ่อแม่ให้ทำอะไรถามได้ถามว่าพ่อแม่ต้องการอย่างนั้นทำยี้ไหมอยายามสั่งให้พ่อแม่ต้องกินอย่างนั้นต้องกินอย่างนี้ คุณมาริษาครับฟังเทศจากพระอาจารย์ชยสาโรท่านพูดว่าพระในประเทศไทยมีประมาณสามแสนจากที่ท่านได้อุปสมบทเมื่อสี่สิบห้าปีที่แล้วจนถึงวันนี้ก็ประมาณสามแสนกว่าแสดงว่าผู้ที่อยากออกบวชสมัยนี้มีไม่มากหรือเพราะการบวชชั่วระยะสั้นทําได้ง่ายไม่ได้อยู่ในหลายภาษาเหมือนพระสมัยก่อนใช่ไหมครับพระอาจารย์อส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบบวชชั่วคราวบวชตามธรรมเนียมสมัยก่อนก็จะ เอาหนึ่งพันษาเป็นเกณฑ์แต่ตอมายุคนี้ยุคของอความเจริญทางด้านก็ถือต้องทํางานทําการเมื่อสัปไม่ให้หยุดยาวก็เลยหยุดกันแค่้งทีเดือนหนึ่งบ้างบวชเดือนหนึ่งบ้างสิบห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างคือบางคนคิดว่าต้องบวชก็ทําให้มันพ้นหน้าที่ไปให้มันหมดหน้าที่ไปก็เริ่มเริ่ เจ็ดไปก็เจ็ดเก้าก็ยังดีงนะเขาจะถือว่าได้บุตรไนทดแทนคุณพ่อแม่ไป น, นี่คุณสมพรครับถ้าเราอยากให้คนอื่นเป็นเหมือนดังที่ใจโยมคิดนึกแสดงว่าโยมยังมีตัวรู้ไม่เท่าทันกิเลตัวเองเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมครับแสดงว่าไม่มีปัญญาไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาเป็นภาวะ ทางธรรมชาติปรากฏการทางธรรมชาติที่ไม่มีใครเป็นควบคุมบังคับได้นี่คำถามคำถามตอบเมื่อกี้อาจารย์ได้ตอบไปแล้วนะครับคุณสมพรครับเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองต้องแก้ไขยอย่างไรดีครับก็ใช้เหตุผลไง เ, เราทำอะไรเราใช้เหตุผลว่าอะไรควรไม่ควรอย่างไร ยย้าอารมณ์งตัวเองมาเป็นตัวชีมให้เราทําอะไรต่างๆคุณประสานครับนััสการครับพระคุณเจ้าหลักแก่นของธรรมะจริงๆคืออะไรครับการที่มีบุญได้ผลบุญมันก็คือกิเลสที่อยากให้ได้รับความสุขแต่การหลุดพ้นจริงคือไม่ต้องยึดติดสิ่งใดไม่ใช่หรือครับถ้าทําบุญเยอะก็ต้องไปสวยสุขมันก็น่าจะเป็นกิเลสนะครับ คือบุมันเป็นขั้นบันไดของการที่จะไปสู่ขั้นที่เราอปล่อยวางไม่ยึดติดกับทสิ่งทุกอย่างได้การทำบุนที่แท้จริงก็เพื่อไม่ให้เรายึดติดกับเงินทองเข้าใจไหมเรายึดติดกันเราโหวงเราลากเงินทองกันปมนันหึงทําให้เรานี้ทุกกับเรื่องเงินทองถ้าเราไม่อยากจะทุกกับเรื่องเองินทองเราต้องรู้จักปล่อยวางเงินทองอย่าไปยึ ด, ดอย่าไปติดอาาย่าไปอาศัยเงินทอง ไปอยู่แบบพระอะไรเงี้ยถ้ายังยึดติดงินทองอยู่ไปบวชไม่ได้ไม่ได้นะไปไปปล่อยวางอย่างอยู่ที่ยากกว่าไม่ได้เมื่อนี้เบื่อตอนนี้ต้องปล่อยวางที่สิ่งที่ง่ายกว่าคือของนอกกายก่อนเพราะในท้่สุดเราจะต้องปล่อยหนวยปล่อยของนอกกายแล้วออกมาแล้วแล้วนมาปล่อยร่างกายหรอกร่างกายเรามันยากกว่าปล่อยความแก่ปล่อยความเจ็บปล่อยความตายนี่มันยากหลายเยอะ ยัร่มต้นหน่อยสอนให้ปล่อยปล่อยของภายนอกก่อนปล่อยเงินทองปล่อยบุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วยครอบครัวของเราใครทั้งหลายลูกเอยสามีเออยภรรยาเอย่ี่ยู่าพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องปล่อยของภายนอกก่อนปล่อยสละราชสมบัติออกบวนสละทิ้งลูกทิ้งภรรยาไปแล้วก็ไปปฏิบัติเพื่อที่จะไปปล่อยน่างกายต่อไป การยึดติดร่างกายทําให้ใจอย่างทุกข์ทรมานี่นคุณสมพรครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นผู้ใหญ่การเป็นผู้ใหญ่เขาต้องเป็นกันอย่างไรครับผู้ใหญ่นั้นเป็นเรื่องของแต่เราจะนิยามมันผู้ใหญ่ทำไหนทําวัยทําทางวุฒิภาวะทําสติปัญญา ม, มันมีหลายหลายใหญ่ใหญ่แบบไหน ใหญ่ด้วยอายุบางทีก็แต่แต่แต่แต่ไม่ใหญ่ด้วยปัญญาก็เหมือนกับงโง่เนี่ยแต่มีอายุเยอะแต่เป็นคนเป็นคนโง่คนแก่ที่งโง่ต่างกับเด็กที่อาจจะมีอายุน้อยแต่แก่ด้วยปัญญาเนี่ยก็ใหญ่ทางปัญญาเนี่ะแต่ว่าเราจะไปนิญายาวคำว่าใหญ่ใหญ่ไในทางไหนก็ถึงแบบว่ามีวัยอาวุธมีอะไรวุดต่างๆที่เอามา มาเป็นเครื่องวัดความใหญ่ความด้อยของแต่ละคนคุณประสานครับการที่ไม่ยึดติดอะไรไม่ยินดีไม่ยินร้ายเข้าใจการเป็นไปใช้ได้ไหมครับร ก, ก, บก็ถ้าเราไม่ทุกข์กับมันก็ได้นะเราไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆ้วยเกิดขึ้นใครด่าแล้วเราก็ไม่ทุกข์ใครชอบเราเราก็เฉยๆไม่ดีใจ ใครขโมยของเราไปเราก็ไม่เกรธไม่เสียใจคุณจตุรลนครั บ, บขอความเมตตาจากหลวงปู่ครับผมเจอลูกแมวข้างถนนหน้าบ้านหนึ่งตัวจะนำไปปล่อยที่วัดและจะคุยกับครูบาก่อนปล่อยระหว่างหาครูบาก็ปล่อยเขาไว้ก่อนแต่หมาวัดรุมกัดเขาแล้วครับข้าบวิ่งหนีกระผมหาศพเขาไม่เจอไม่ทราบจะตายหรือรอดกระผมเป็นทุกข์มากที่พาเขาไปให้โดนหมา ก, กัด ขอเมตตาคติธรรมจากหลวงปู่ครับว่าเราไม่มีปัญญาไม่มีความรอบคอบมันก็เลยปล่อยปาละละเลยความรับผิดชอบดูแลนมที่เรามีความปรารถนาดีต่อเขามันก็เลยทําให้ทําให้หมามากัดแมวตายได้เราก็ต้องต้องเอาเมรืนน่ีมาเป็นบทเรียนสอนเราต่อไปเราจะทํำนะต้องระวัตระวัตคิดให้รอบคอ คุณสมพรครับการภาวนาคือการระลึกถึงความถูกต้องความเป็นจริงของชีวิตเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับการภาวนามันมีสองระดับระดับสมถภาวนาก็คือการทำใจให้นิ่งให้สงบนะเมื่อเราผ่านขั้นนิ่งขั้นสงบได้แล้วเราก็มาเ ม, มาสอนใจให้เห็นสภาพความเป็นจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นไปรักเปนอนิจจ์ทุกขังอนัตตา อยากไปยึดอยากไปติดอยากไ่อยาก ไ, ได้อะไรกับสิรร่งต่างๆกล้วจะดาไปสู่ความทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกก็ต้องตัดความอยากให้หมดไปคุณสมพรมครับเราเกิดใหม่จะต้องมีเพศเดิมเป็นหญิงหรือชายทุกชาติหรือไม่เจ้าคะก็ อ, อยู่ที่ใจเราเป็นหญิงไื่เป็นชาย แต่จะได้่าำกายของชายหรืหญิงตลาดไปหรือไม่ก็ไม่แน่นะเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุทางธรรมชาติค่ะใจเราเป็นหญิงแต่เราไปได้่าำกายของผู้ชายก็ได้ชาติในตลาดมันต้องเป็นกระเทยไปก่อนครับคุณนัทวะไรพันธ์ครับถ้าให้กรบลบหนี้แลกกันแล้วระหว่างบุญกับบาปถ้าบาปมากกว่าบุญก็จะไปเกิดเป็นพวกเดรัจฉาน แต่ถ้าหักลบกรบหนี้กันแล้วบุญมากกว่าบาปจะไปเกิดเป็นอะไรเจ้าคาเพราะถ้าก็ถ้าเท่ากันก็จะเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นเทวดาถ้าบาป ถ, ถ้าบุญมากกว่าบาปมาไปเป็นเทวดาครับคุณสมพรอมบอกว่าที่ได้เกิดมามีเพศเป็นกระเทยหรือลักเพศเดียวกันเขาทําบาปในเรื่องใดจึงเกิดมาเป็นแบบนี้ครับทําบาปของมันเป็นเรื่องของอาจจะเป็นการจับคู่ไม่ตรงกันร่างกายกับใจ ชายเป็นหญิงแล้วไปได้ร่างกายของผู้ชายอย่างที่เมื่อกี้พูดได้ฟังชายเป็นชายแล้วไปได้ร่างกายของผู้อของผู้หญิงก็ทําตัวเป็นทองไปนะส่วนชายที่เป็นผู้หญิงไปได้ร่างกายของผู้ชายก็ทําตัวเป็นเป็นกระเทยไปถ้ามีเท่านั้นเนี่ยมันคู่มันไม่ตรงกันอาจจะเป็นอุบัติเหตุทางทา ง, ทางธรรมชาติ เรื่องของการผลิตร่างกายเรื่องของการผลิตบางทุกข์คือ่าพรรณาบรรค้งบรงคามันจับคู่จับคมนมาคู่กันจับไม่ถูกคู่กันเรื่ออาจจะมีสายใหุ้อย่างอืก็ได้แต่สําหรับเรามราเชืเ่อ ไ, ไม่สําคัญไม่จำเป็นจะต้องไปรู้แล้วขอให้เรารู้วิธีปฏิบัติก็แล้วกันถ้าเราเกิดมาแล้ว เ, เราเป็นวิจัยเราเป็นหญิงแล้วรา่างกายเราเราเป็นผู้ชาย เราก็ต้องตัดสินใจว่าเราอยู่ในสังคมที่เขารับอรได้ไหรือมถ้าเราแสดงตัวว่าเราเป็นผู้หญิงนี้แ่เขารับไม่ได้บางทีเราก็ต้องทนอยู่กับสภาพของร่างกายไปทับตัวเป็นทับตัวเป็นตามร่างกายไป ใ, ในใจเราเราก็ยังเป็นหญิงอยู่อันนี้ก็มีเนี่ยมีสมัยก่อนนี้เรื่องเพศนี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อ็จะเปิดเผยกันย่าไงคนที่มี เพศที่ไม่ตรกับร่างกายของตนนี้ยังไม่ค่อยกล้าเปิดเผยพราะว่าถ้าเปิดเผยแลย้วจะถูกเขาทํบเขาเขาประนามได้ก็เลยต้องบล็กปิดขึ้นไปแต่ระยะหลังในวันนี้เริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นเรื่องมีความคิดที่ปกว้างมากขึ้นดังนั้นทำให้มีผู้ที่มีเพศกับที่ต่างกับร่างกายนี้ออกมาเปิดเผยตัวเองได้แมันไม่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องของบุญของบาง มันเรื่องของการจับคู่ฟ้าฟ้ากับมอคนละฟากันฟ้าเป็ญอางหมอเป็ญอย่า ง, อ, งอย่างนี้เขายอมรับกันไลยครับอาจารย์เมืเ่อวานนี้เดือนนี้ก็เป็นปลายมั้งใช่ครับเ่อนข้างมันเป็นเป็นเรื่องธรรมดาที่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติของของแต่ละคนแต่สิ่งที่ต้องระวังได้เราเกิดเรื่องของสิ่งที่เราควรจะพนันก็นคือเรื่องของการนี้ เพศแบบเซเล่าี้แครที่มันปิดสีข้อสามเนี่ยอันนี้เป็นเป็นบาปถ้าเป็นเปิดแบบฟรีเซกซนี้ใครอยากจะอยู่กับใครนอย ก, กับใครที่ไหนเมื่อไหร่ก็ทำได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะอย่าทำกันถ้าเราไม่อยากจะทำบาป ค, คุณวัชรัตครับ คนที่ไม่เข้าวัดกินเหล้าตามสังคมแต่ในสังคมก็เป็นคนดีพวกเขาเดิมทีมาจากที่ไหนครับเมื่อชาติก่อนเขาเคยกินสายกินเหล้ามาพอมาเกิดชาตินี้ก็เขาก็ามากินต่อคับคุณวาสนาครับเคยได้ยินว่ามีคนกลับชาติมาเกิดแล้วจําชาติได้หลายๆคนหลายๆชาติาศาสนากระผมเชื่อและไม่สงสัยอันนี้เป็นความเห็นถูกไหมครับ ก็ก็คนบางคนก็มีความจํำดีพระพุทธเจ้าวลาเล่นชาติได้หรือได้เป็นร้อยชาติหนึพันชาติเลย่งหรือมันก็ขึ้นอยู่ที่ของความจําของแต่ละคนว่ามีความจําดีมากน้อยเท่าไหร่ก็ดูเด็กสมัยนี้เด็กบางคนจําเรื่องการสะกดตัวภาษาตัวอักษรได้เยอะแยะไปหมดเลยก็มีแข่งขันกันที่อเมริกา spelling นี้บางคนจําได้เป็นหไม่รู้กี่คํา เขาจำได้หมดนะบอกให้เขาสะกดคาไหนเขาก็จําได้เพราะว่านี่ละเขามีความจําที่ดีบางทีกอาจจะรับรสชาติได้ก็ได้ถ้าเขาหันความสนใจมาทางนี้หรือถ้าเขาอาจจะไปเจอสถานที่ที่เขาเคยมเคยเคยอยู่เคยเป็นมาก่อนอันนี้ก็ต้องหมายถึงว่าเขาอาจจะตายไปแล้วกับมาเกิดเป็นมนุษย์แบบไม่ ไม่นานตายไปบ้างไม่นานแล้วก็ได้กลับมาเกิด mm hmm. ไป็นนุ้ย์นั้นก็มาอยู่ใกล้กับสถานที่ที่เคยอยู่มีมีมโอกาสเดินผ่านไปแล้วเดินเห็นสถานที่นั้นก็อาจจะจำได้เคยเคยมาที่นี่อันนี้ก็เป็นเรื่องของความจำแบบเดจาวูนี้ครับอาจารย์คุณเพบครับคำว่าหลงนิมิต คืออะไรครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับก็เวลานั่งสมาธิมาแล้วบที่ประกอบมีนิมิตได้ตา่างๆแล้วเราก็ไปว่ามันเป็นรู่นเป็นนี้เป็นเท้าพระพ ม, มมาหาเราบ้างมีอะไรมามันบ้างซึ่งความจริงมันไม่ได้เป็นจิตตามที่เราคิดมันเป็นเรื่องของจิตปลุงแต่งขึ้นมาในขณะที่เรานั่งสมาธิ คุณสมพรครับถ้าเรามีความเข้าใจธรรมมากขึ้นเราจะเห็นความจริงของชีวิตชนิดช้างกระดิกหูงูลและริ้นถ้าเราคลิกถึงธรรมในระยะสั้นๆช้างกระดิกหูแสดงว่าโยมเริ่มมีภาวนาและจิตมีสมาธิมากขึ้นเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับอย่าไปกังวลกับเรื่องเหล่ า, านี้เลยกังวลกันเรื่องให้งู้ทันกเิเลสก็พอรู้ทันความโลภกอดของกรพอแล้วก็หยุดมันได้อันนี้จะเรียกว่าโยมมีภาวนา แล้วเรื่องอย่างอือนนี่ไม่ต้องไปคำวันไม่ต้องไปสนใจดูทันกิเลสดูทันความโลภความโกรธความหลงพอมันยังเกิดขึ้นมาก็ตปบปอดหัวมันเลยหยุดมันนเย้ยพออยากจะได่าู้นหน่านี่ก็กระปบมันเลยอยากจะด่าคนนั่นคนนี้นก็หยุดมันได้เลยอย่างนี้จะดีกว่าให้ดูตัวนี้ดีกว่ะดูตัวกิเลสการปฏิบัติธรรมที่เป้าหมายก็คือการกำจัดกิเลส คุณสายลมคอมเมนต์บอกว่าทำคืนนี้ท่านพระอาจารย์เปิดเผยโลกาธาตุมากฟังไปน้ำตาซึมเสริมศรัทธามากครับคุณสุริยาครับจิตสุดท้ายก่อนตายของบุคคลธรรมดาจะไปเกิดตามภพที่คิดที่นึกก่อนตายใช่ไหมครับโดยที่จิตฝึกมาแบบไหนจะมีนิมิตผุดมาเช่นนั้นแล้วหลังจากนั้นกรรมดีกรรมชั่วจะเป็นตัวให้ผลภายหลังว่าจะได้เกิดภพไหนชาติไหนต่อไปใช่ไหมครับ ไม่หรอกกรรมในกรรมชั่วเนี่ยเป็นตัวที่จะไปกําหนดให้ไปว่าจะไปพบไหนความคิดจิตสุดท้ายนี่มันคิดมันสั่งขึ้นมาเองไม่ได้หรอกพอเวลาใกล้จะตายนี่มันตื่นเต้นตกใจมันจะถ้าไม่มีสติสตานที่จะมาคิดถึงถึงจะสังความคิดได้ถ้าสังความคิดได้ก็สามารถมันไปที่พานเลยให้มันนิ่งสงบให้มันนิ่งสงบปล่อยวางทุกอย่าง ทำไม่ได้หรอถ้าเราไม่ฝึกซ้อมเราก่อนมันได้เราไม่ทำการบ้านแล้วถึงเวลาเราเข้าห้องสอบเราจะไปทําข้อสอบได้ไงถ้าเราไม่ทําการบ้านมาก่อนการที่เราทําบุญทําบาปนี่เป็นการทําทําการบ้านเพื่อที่เราจะได้เวลาเข้าสอบเราก็จะได้ไปทําที่เราทกไว้ถ้าเราทําบุญไว้เยอะๆบุญนี่มันจะพาเราไปสวรรค์ถ้าบุญมันมากกวาบาปถ้าเราทําบาปมากกว่าบุญบาปมันก็จะดึงเราไปอาบัย ก็มีทางนี้แหละไม่แยกอยู่ที่ว่าเราจะตอนที่เราจะตายแล้วคิดถึงบุญทีคิดถึงการทําความดีอย่างเดียวการคิดถึงการทําความดีไม่ ม, มีไม่มีกําลังที่จะส่งออกไปได้ต้องการเกิดจากการกระทําบุญหรือบาปที่เป็นตัวผลดันไปทีนึงบุญยังไม่สําเร็จเพียงแต่คิดจะทําบุญคิดแต่เรื่องดีๆอันนี้เป็นเป็นกุศลกรรมแต่ไม่ได้เป็นตัวบุญหรือตัวบาปตัวบุญนี่ต้องเกิดจากการกระทำทางกายใละทางวาจา ขึ้นคุณเอกชัยครับหากตอนนี้เรายังมีภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราและลูกเมียหากเราหนีไปบวชในตอนนี้จะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งใช่ไหมครับก็แล้วแต่ว่าพ่อแม่นี้มีคนอื่นดูแลแทนเราได้หรือเปล่าถ้ามีคนอื่นมานดูลาแลเราได้แล้วถ้าเราว่าเราจําเป็นจะต้องไปบวชจริงๆมันพระพุทธเจ้าเงี้ก็ไปได้ ว่าบวชจริงนะอย่าอย่าอ่านการบวดมันเป็นการหนีมีภาระหน้าที่อย่านี้ก็รับครับคุณจันทิศครับคนที่ไม่เชื่อเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์จะยกตัวอย่างอย่างไรให้เห็นเขาเข้าใจครับเออไม่ต้องไปยกหรอกถ้าก็ไม่เชื่อก็มันก็จบถ้าก็ไม่สนใจก็จบก็ปล่อยเขาไปตามความไม่เชื่อของเขาดีกว่า คุณหญิงครับโสดมน์แล้วนั่งสมาธิทุกเช้าข่ะกรวดน้ําทุกครั้งให้บิดามารดาเพื่อนมนุษย์แบบนี้เขาได้รับผลบุญจริงๆใช่ไหมคะไม่ได้หรอกบุญส่วนใญ่ที่เราทําจากการนั่งสมาธินี้คือหนึมันยังไม่เกิดการนั่งสมาธินี้ถ้าจิตเรายังไม่รวมเป็นอัปปนาสมาธิหรือคณิกาสมาธินี้มันไม่ยังไม่เป็นบุมันเป็นเพียง ก, การกําลังสร้างบุญอยู่มันเหมอนการตอกต้นไม้ การปลูกต้นไม้นี่ไม่ได้หมายความจะออกดอกของผลทันทีปลูกต้นม้แล้วเราก็เริ่มัวมลล่านทุนดินหว่านน้าอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าวันดีคืนดีต้นไม้โตแล้วก็ออกดอกของผลขึ้นมาตอนนั้นนเราถึงเอาดอกมาเอาดอกผลที่ไปแบกให้คนอื่นได้แต่ตอนนี้มันยังไม่มีเพียงดต่อาต้นไม้ไปลงดินท่นั้นเองถ้านั่งสบายที่ยังยังถึงไม่นิยม ที่จะอุทิศบุญด้วยการกจัดการนั่งสมาธิถ้าอยากจะอุทิศบุญที่ไปบริจาคเงินทองทซื้อข้าวซื้อของอะไรให้คนแก่คนเจ็บคนตายมือขายก็ได้ทําบุญใส่บาตรอะไรนี้ก็ได้อันนี้บุญเกิดขึ้นทันทีถ้าสามารถอุทิศบุญอันนี้ได้เลยอ่ต้องอุทิศให้คนตายเท่านั้นนะคนเป็นดีก็ให้เขาให้เงินทองเขาไปซื้อกับข้าวกินดีกว่าถ้าเราอยากจะให้เขามีความสุข ่คนตายนี่เราส่งเงินไปให้เขาไม่ได้เราแต่เราส่งไปได้เราก็เลยต้องส่งไปให้เราแทนถ้าเราคนเป็นนี่ถ้าอยากให้เขามีความสุขก็เอาเงินนี่ยเอาเงินให้เขาไปเลยให้เขาไปซื้อข้าวเสื้ออาหารนี่เสื้อที่เขาต้องการคุณสมพรครับการปฏิบัติธรรมกับการรู้ธรรมรู้หนังสือเป็นคนละเรื่องกับการปฏิบัติกันเลยการปฏิบัติสําคัญและเป็นการรู้ธรรมอย่างแท้จริง เข้าใจถูกต้องไหมครับก่อนหน้านิยมมองตัวเองเป็นเพียงรู้หนังสือธรรมะจากการอ่านแต่รู้ก็จบแค่รู้แค่ลืมแต่พอได้พระอาจารย์สอนการปฏิบัติได้รู้ของแท้หนังสือกลายเป็นรองปฏิบัติสําคัญครอบคุมหนังสือธรรมะได้หมดเข้าใจการปฏิบัติธรรมอย่างนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมครับมันก็ต้องอาศัยทั้งการศึกษาและการปฏิบัติมันถึงจะเข้าถึงความจริงได้อย่างสมบรูรณ์ ดั้นเราต้องเรียนหนังสืออ่านหนังสือทำหน้า ก, ก่อนเพื่อเราจะได้รู้ว่าวิธีที่จะเราจะต้องปฏิบัติเพื่อให้เราได้พบกับความจิตที่แท้จริงนั้นทําอย่างไรเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเราต้องภาวน า, านต้องเจริญสตินั่งสมาธิล้วก็ไปนั่งเจริญสตินั่งสมาธิให้จิตรวมจิตรวมมีมีความสุขที่เกิดจากความสงมบมีอุเบกขาหังจากนั้นแล้วก็ วเวลาออกจากสมาธิมาแล้วก็ไปศึกษาทางปัญญาต่อดูศึกษาดูความเป็นจริงดูตายรักที่มีในทุกสิ่ ง, ท, งทุกอย่างเมันเป็นขั้นเป็นตอนไปการปฏิบัติแล้วเมื่เราถึงจุดที่เราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็จะปล่อยได้แล้วก็จะหยุดความโลภความอยากเมื่อเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากแล้วมันเป็นทําจะทําให้เราทุกข์ว่ามันเป็นของไม่เที่ยว เป็นท้องที่เราก็ควบคุมบังคับไม่ได้คุณมาริกาครับการฝึกเจริญภาวนาเป็นการฝึกจิตให้ละเอียดอ่อนโยนไม่หยาบกระด้างเข้าใจถูกต้องหรือไม่เจ้าคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่การฝึกเจริญภาวนานน้เป้าหมายหลักก็คือทำให้จิตสงบให้จิตมีความสุขเพืเราจะได้งาความสุขทางรูปสิ่งกิตลดไป อันนี้เรายังก็อาศัยรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นของไม่แน่นอนเวลาเราไม่ได้มันเราก็จะเราก็จะทุกข์ได้เมื่อเวลาได้ในของที่เราไม่ชอบเราก็จะทําให้เราทุกข์ได้ถ้าเราไม่อยากจะแจ้ความทุกข์เปลี่ยนวิธีหาความสงบด้วยการมาพ่อนะมันนั่งสมาธิทําใจให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วก็จะเป็นจิตที่มีความละเอียดอ่อนในตัวมันไปจะมีความอ่อนโยนมีความสุขภาพ คุณภูมิพัฒนครับสมถาะากับวิปัสนาเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับเป็นการปฏิบัติคนละขั้นสมถะคือการทําสมาธิวิปัสนาคือการเจริญปัญญาคุณนัทวไลพันธ์บอกว่าสัตว์เดรัจฉานเกิดจากบุญบาปสัดส่วนอย่างไรเจ้าคะเราเกิดจากบาปไม่เกิดจากบุญ ถ้าสมมุติว่าบาปยังมีที่ปนอยู่ในใจเราแล้วเร า, เาไปได้ร่างกายมันจะได้ร่างกายของสัตว์ในราชายัางไม่สามารถได้ร่างกายของมนุษย์จะได้ร่างกายของมนุษย์เมื่อสัดส่วนของบุญและบาปเท่าๆกันคุณปุ้ยครับแต่ก่อนไม่กลัวผีแต่พอปฏิบัติมากขึ้นเริ่มมีความหวิวในบางที่ตอนนี้พอเริ่มรู้สึกก็จะแผ่เมตตาจะรู้ยังไงว่าบุญเรายังมีให้ผู้อื่น อาทิที่ผ่านมาเปลี่ยนจากนั่งสมาธิเป็นเดินจงกรมค่ะทําไมต้องแผ่เมตตาเนยเวลาที่รู้สึกมีความหวิวขึ้นมานั่นไม่ใช่เหมือนคนลเลื่อนกันเมตตานี่มีไว้แผ่เวลาที่เราเจอกับคนนั้นคนนี้ถ้าเราไปเจอไปไปแผ่เมตตามันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเวลาเกิดความหวิวก็ใช้สติให้มีสติให้ใจนิ่งให้ใจรู้เฉยๆอย่าไปมีความรู้สึกกลัวรู้สึกอะไรตา่างๆ คุณไลท์ครับการทานอาหารประเภทมังสวิรัตและลดหรืองดอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์จะช่วยลดนิวรอนห้าลงได้ไหมครับและมีวิธีเทคนิคอื่นๆที่แนะนํำไหมครับมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของเราจะกินอาหารชนิดไหนนะอยู่ที่กินมากกินน้อยถ้าต้องการจะลดนิวทรคือความม่วงเหงาห่ า, หา น, นก็ต้องกิน น, น้อยๆเคยกินสองจานก็ลองง่วงเหงาจานเดียวดูเคยกินสามื้อก็ลองง่วงเหลือแค่สองมื้อดูไม่กินหลังเที่ยงวันก็แล้ว อย่นี้คับมันจะลดนิวรนได้แต่ไม่ได้เปลี่ยนอาหารจากกินจักจากกินเนืาา้อสัตว์มากินผักแต่ก็กินเยอะๆกินให้อิ่มท้องเหมือนกันเหมือนก็มันก็ไม่ได้ทําให้ความุ่วงนอนหายไปเอาวง่วงมานอนมันเกิดจากการที่เรากินมากเกินไปคุณหลินครับบอกว่าพระอาจารย์ตอนหนูรถความเหมือนโดนหิ้วไปสอบสวนเหมือนโดนสอบสวนเลยเจ้าค่ะ ถามแค่ทำบุญอะไรมาหนูไม่กล้าตอบหนูบอกแต่ว่าหนูไม่รู้เพราะกลัวตอบนรกเลยไม่กล้าตอบถามแต่บาปบุญไม่ถามว่าจบอะไรมาเจ้าขาจำได้แค่เสียงไม่มีภาพก่อนรดความความคิดหนูนรกสวรรค์มีจริงเหรอเป็นพยาบาลฉุกเฉินเลยเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินเรียบร้อยเจ้า่ะมีคำถามไหมไม่มีนะร้อยฟัง คุณทัศนาครับจําเป็นที่จะต้องทําบุญครบวันตายของพ่อให้ตรงวันหรือวันถัดไปได้ไหมเจ้าคะไม่จําเป็นอะนอยากจะทําบุญให้พ่อเมื่อไรก็ทําได้ทันทีวันไหนก็ได้เราจะไปรู้เลยว่าพ่อเขาเขาจะมารอรับวันที่เราครบมันมันตายของพ่อเลยแหลม น, น, นี่จริงถ้าเรารักพ่ออยากจะให้พ่อเป็นข่าวชุดเราควรจะทําบุญส่งให้พ่อไปทุกวัน คุณชมชนครับลูกสาวไปค่ายโยมบอกให้หมั่นแผ่เมตตาแด่ทุกสรรพสิ่งนะลูกบอกไม่กล้าเพราะฟังมาว่าจะทำให้ผีตามได้เพื่อขอบุญจากเราเขาฟังจากนักเล่าเรื่องผีใน Youtube บ้างก็ว่าแผ่แล้วเราจะได้บุญน้อยลงเป็น เ, เรื่องโมเมทั้งนั่นนะคุณไอวอรี่ครับ ถ้าดูหรือฟังเรื่องสยองขวัญเป็นประจำสัญญาจะทำให้เราจำแต่สิ่งที่น่ากลัวติดไปกับเราไหมคะเพราะบางครั้งดูหนังเรื่องไหนก็จะอินกับเรื่องเหล่านั้นคะ่ะมันจะไม่มันมันจะไม่อยู่กับนานมืนกับกับการกระทำการกระทเนี่มันจะฝังในใจเรายาวนานลึกแต่การไปดูไปฟังอะไรมันเดียวเดียวเก็เลืมมันได้คุณมนทาครับ หนูยิ่งปฏิบัติธรรมทำไมกิเลสเยอะเหลือเกินเจ้าคะ่ะเพราะหนไูไม่ไม่ไม่ไม่หยุดมันเลยปฏิบัติเพื่อสงเสริมกิเลสก็ได้ส่งปฏิบัติธรรมเพื่อตัดกิเลสก็ได้แต่เราปฏิบัติธรรมโดยส่งเสริมมันมันก็เยอะสิอย่าไปส่งเสริมมันสิคุณสมพรครับ โยมเป็นคนคิดโน้นคิดนี่คิดเยอะจนปวด ต, ต้นคอตึงต้นคอจะเป็นจุดรวมทุกความคิดปรุงแต่งจะต้องทำอย่างไรดีครับให้เป็นคนไม่ปรุงคิดเยอะครับก็ใช้สติครับพุโทโธริไรกับพุโทโธพุโทโธอย่างเนื่อยๆมันก็จะหยุดความคิดปรุงแต่งได้คุณวรวรรณครับเธอได้ยินว่าคนที่ฆ่าตัวตายถือว่าทำบาปหนักจะทำให้เขาไม่สามารถไปเกิดใหม่ได้จริงไหมคะ และคนที่ฆ่าตัวตายเพราะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเขาจะได้รับผลบาปหนักไหมครับเราพอจะช่วยคนตายเหล่านี้ให้วิญญาณพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรบ้างครับออถ้าเขาฆ่าตัวตายเขาก็ต้องไปนรกนะแล้วจนกว่าบาปที่เขาทำนั้นมันหมดกําลังเขาก็จะได้กลับมาเกิดใหม่เแต่ว่าจะไปอยู่ในนรกนานหรือไม่นานนั่นเอเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ท่านก็ไปนรกเขาอยู่ในนลนรก จะช่วยวิญญาณได้เฉพาะพวกที่เป็นเป่ดนัพวกที่ก็มาเรารับส่วนุญนอกจากนั้นพวกนั้นพวกอื่นเขาไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รับส่วนส่วนร่างกายกเขาไม่มารับส่วนบุญอาจจะไม่เพราะเขาไม่มารับไม่ได้หรื อ, อยงก็ไม่รู้พวกที่อยู่ในแล้วก็เช่นเดียวกันคุณวานิตาครับเราสามารถแผ่บุญให้กับเนื้อสัตว์ที่อยู่ในอาหารที่เรากินได้ไหมคะ ไม่ได้หรอเนื้อสัตว์เลยแผให้มันได้ไงมันเนื้อสัตว์ก็เป็นเหมือนกับก็เป็นวัตถุเท่านั้นเองเหมือนกับผักนี่เราแผ่บุญให้ผันไดเ้เนื้อสัตว์มันครับมันตายไปแล้วเราแพ่แผ่บุญให้ดวงวิญญาณของของเนื้อสัตว์ได้อยู่ถ้าเราอยากจะทําบุญที่ให้กับเขาเราเราต้องมีทําบุญก่อนเราถึงจะแผ่บุญได้ไม่ใช่ก่อนจะกินแล้วก็นั่งคิดว่าขอให เธอไปสู่สุขตินะขอบใจที่ที่เธอได้เสียสละเนื้อของเธอมาให้ฉันกินอย่างนี้ไม่ได้แล้วต้องไปทำบุญใส่บาตรนึกทำวอยจากสินค้าข้าของเงินทองอะไรไปทำให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมาแล้วเราก็อทิศบุญนั้กับสัตว์ที่เรากินก็ได้คุณรักษาครับน้ำสการเจ้าข่ะหนูรบ ก, กวนถามค่ะ แม่สีได้จากไปด้วยลมหายใจและอ้อมกอดสุดท้ายจนถึงวันนี้แปดสิบเจ็ดวันแล้วค่ะคิดถึงแม่เหลือเกินหนูนั่งสมาธิค่ะแต่ไม่เห็นคำถามคม ร, ออา ร, รับรคุณสมันพักครับนับวันสการของพ่อณจุดหนึ่งที่เราพร้อมจะบวชสู่ทางธรรมอะไรเป็นสิ่งที่เตือนให้เราว่าถึงจุดนั้นคะเราต้องเตรียมเช่นไรที่จะมีกำลังใจให้ถึงจุดนั้นครับ ถ้าเรามีธรรมมากก็ทำตัวทราที่มีความสงบนี่แหละเป็นตัวที่อย่หนึ่งให้เราไปถึงจุดนั้นได้ถ้าเราสามารถปฏิบัติธรรมจนก็ะั่งจิตเราสงบได้มีความสุขจากการปฏิบัติธรรมเราก็พร้อมที่จะบุได้คุณไรท์ครับกรณีที่ฟังธรรมและเข้าใจในเรื่องปฏิสมบรบาทแล้วและเห็นอวิชชาเห็นทุกข์เห็นสุขแล้ว เข้าใจความเป็นอนัตตาแล้วแต่เนื่องจากมีภาระหน้าที่อยู่เราก็ยังสามารถใช้ชีวิตโดยธรรมและเอนจอยชีวิตได้อยู่ใช่ไหมครับ่กถ้าเราเห็นถ้าเราต้องการที่เห็ น, หนทุกเห็นสุขเรา ก, เราก็เราก็ต้องเห็นมาเหตุของทุกคืออะไรเหตุของทุ ก, ก็คือความอยากการเอ็นจอยชีวิตนี่แหละเป็นเป็นตัวที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็ต้องเลิกเอ็นจอยชีวิตทนั้นเอ ถ้าไปยัง enjoy ชีวิตอยู่ก็แสดงว่ายังมีการมาตดหาอยู่คุณสมพรอมบอกทำไมกับเธอจึงบวชไม่ได้คะเพราะว่าเป็นผู้หญิงไงผู้หญิงใจเพศใจไม่ได้นร่งกายของผู้ชายแล้วมามาอยู่กับพระที่เป็นผู้ชายนี่มันเดี๋ยวนะ้อบางทีต้องสมัยก่อนเขาก็ทำกิจกรรมร่วมกันมนอยู่ใกล้ชิดกัน วันี้อาบน้ําด้วยกันอย่างนี้อาบน้ําก็อาจจะทําให้เกิดการมารดบขึ้นมาง่ายระหว่าผู้ชายผู้ชายด้วยกันอาบน้ําด้วยกันไม่รู้สึกอะไรระหว่าผู้หญิกับผู้ชายเวลาไปเห็นการเปื่วยกายอาจจะไม่ถึงเต็มทั้งท่อนก็ได้อาจจะเห็นขึ้นท่อนก็อาจจะทําให้เกิดการมารดบขึ้นมาก็ได้ไมก็เลยไม่ต้องการที่จะให้มีปัญหาทางเรื่องเพศก็เลยไม่ให้พวกกัลเทยบวช ตามความเข้าใจของเรานะความจริงเป็นยังไงเราไม่รู้นะครับคุณแหมครับบางทีมีคนมาพูดยั่วยุทำให้โกรธจะไม่ที่รับมือจัดการกับอารมณ์แบบนี้ยังไงดีคะก็อย่าอย่าไปอยากให้เขาพูดอย่างอื่นเราต้องยอมรับว่าเขาอยากยจะยั่วก็ปล่อยเขายั่วไปเราห้ามเขาไม่ได้แล้วเรามจะไม่โกรธ ถ้าเราไม่อยากเขาเยือย่อเยื่อเรมันก็จะทําให้เราโกรธขึ้นมาเราบอกอยากจะยุ่งยังก็ยุ่งไปเราห้ามคุณไม่ได้แต่เราจะไม่โกรธเพราะว่าเราไม่ได้มีความอยากให้คุณไม่มาเ ย, ยื่อเยื่อเรความโกรธเกิดจากความอยาของเราเองอยากให้เขาไม่มาพูดไม่ดีกับเรา คุณวริยาครับการที่เราเจอคนที่อิจฉาริษยาต่อหน้าดีรับหลังใส่ความเราเจอคนประเภทนี้เราควรทําอย่างไรเจ้าค่ะก็ให้ลูกเขาลูกเขารูลล ain. แลตนเองแล้วก็เข้าใจเขา응ก็เราก็จะได้มีความระมัดระวังว่าเราอย่าไปหลงเชื่อเขาว่าตอนหน้าก็อาจจะพูดดีกับเราแล้วหลังก็อาจจะไม่ดีกับเราดังนั้นเราก็ต้องถือว่า คนแบบนี้ไม่ใช่เป็นมิตกับเราเห็นเราจะพูดอะไรจะทําอะไรเราต้องระมัดระวังไม่ไปพูดหรือทําอะไรที่จะทําให้เป็นอาวุธที่เขาหมาทําร้ายเราทีหลังได้เห็นบางทีขนิทกันก็เลยพูดเรื่องลับให้เขาฟังหนึ่งแล้วพอเขารับหลังเราขเขาก็ไปประจานไปเล่าให้คนอื่นฟบงนี้เห็นถ้าเราลุกเข้าไปออก่อนอย่างี้เราก็ต้อไม่พูดไม่คุยเรื่องที่เราต้องการจะเก็ บ, กบไว้เป็นความลับ คุณประสานครับนักวิชาการครับแตกดับอย่างการนิพพานกับการสูญสลายของดวงวิญญาณที่แตกดับคือหมายถึงการทําบาปที่เกินกว่าฟ้าดินจะให้อภัยได้ปลายทางคือไม่ได้มาเกิดต่างกันอย่างไรครับว่าคนพูดอะไรไม่เข้าใจเลยเนี่ยมันพูดแบบมันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมะเลยแม้แต่นิดเดียวไม่รู้จะตอบอยังไงดีคือใจหรือวิว ญ, ญญาณนี้มันไม่มีวันแตกดับ น, นิพพานมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของการสูญสลายของดวงวิญญาณเป็นการการสูญสลายของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงต่างๆเรื่องเรื่องการทําบาต ท, ที่ฟ้าดินจะให้ไปได้ฟ้าดินไม่นามันไม่มาให้อภัยใครได้ฟ้าดินนึงก็เป็นเรื่องของของธรรมชาติเรื่องของการทําบาตมันทําไปแล้วเมื่อมันใช้บาตแล้วมันก็หมดไปหมดได้บา คุณเอครับกับผมพยายามถือศีลห้าที่บ้านชอบมีมแมลงสาบเดินผมกลัวมันมากแต่ไม่อยากทำร้ายมันจะทำอย่างไรดีครับทำไมต้องกลัวมันด้วยตัวนิดเดียวเราตัวใหา่กับมันไม่รู้กิตทาํามันทำร้ายเราได้หรือเปล่าเราใช้เหตุผลเดีวยวกัคุณพักครับอยากพ้นทุกข์ควรเริ่มต้นอย่างไรดีคะก็ลดความอยากลง มีความอยากให้น้อยลงไปเรื่อยๆพอไม่มีความอยากล อ, ใใกอย่นใจก็จะทนถูกได้คุณรัตตนมณีครับแต่จะอดทนขันติมากที่สุดจะเดินตามเป้าหมายที่วางไว้จะได้ผลอะไรไม่คาดหวังอันนี้ไม่แน่ใจเทียบเอคุณอภิชาติครับเรียนสอบถามอาณาปานาสติที่พระอาจารย์ ทำอย่างไรและมีกี่วิธีครับอนนาปานาสติก็แปลว่าการมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกอนนาปานะแปลว่าลมเข้าลมออกสติก็คือการแล้วเลิกโล่อยู่การในสติแล้วเลิกโล่งอยู่กับ ล, ลมเข้าลมออกก็จะทําให้ใจเราไม่สามารถไปคิดเรื่องราวต่างๆได้ถ้าไม่คิดเดี๋ยวใจก็จะเร่งสมับเป็นสมาธิขึ้นมา คุณไอวอรี่ครับคนที่ชอบฟังธรรมเป็นประจำเมื่อเสียชีวิตก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีเหมือนเป็นการขัดเกลาวจิตใจอยู่ตลอดเข้าใจถูกไหมครับไม่ถูกหรอกการฟังธรรมอย่างเดียวยังไม่สามารถที่จ ะ, ะเป็นเหตุที่จะส่งไปไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ังธรรมแล้วต้องทำความดีถึงจะไปได้ทำบุญทำบุญซรักษาศีลอย่างเงี้ยไปภพภูมิที่ดีได้ ถ้าฟังเทศฟังรมอย่างเดียวแต่ยังไปทํำบาป ท, ทากรรมอยู่ไปไม่ได้คุณเพบครับถ้าเจอนิมิตจะต้องทํำยังไงต่อให้พยายามกลับมาที่คําบริกรรมหรือกลับมาที่ฐานจิตโดยไม่ต้องสนใจนิมิตถูกต้องไหมครับถูกต้องให้กลับมาที่ทำบริกรรมถ้าเราใช้คําบริกรรมคุณมนทาครับนััฒการครับ พี่ชายผูกคอตายเขามาบอกหนูว่าเขาไปตกนรกเหมือนเมือง น, นรกก็มีการสวดมนต์ไหว้พระใช่หมคะมันเป็นเรื่องของของนรกสวรรค์เป็นเรื่องของของความเที่ยงตรงแต่งของของจิตใจไปหมันไม่ใช่เป็นเรื่องเป็ น, เ ป, นเป็นวดัดเป็นเป็นโบสถ์หรือเป็นอะไรที่มีการไปไหว้พระสวดมนต์นั้นนั้นไม่ใช่ ถ้าจิตเขาคิดปรุงแต่งไม่ไหวพระเธอ่ามันก็จะมีในในในจินตนาการของเขาเนะคุณชันทิพย์ครับคนที่ตอนมีชีวิตไม่เชื่อเรื่องบาปบุญตายแล้วยากทําบุญให้ทําไมถึงเคยมีคําบอกว่ารับไม่ได้ครับเพราะเหตุอะไรครับไม่รู้เงินกันนะทำไมรับไม่ได้เพราะเขาไม่ไม่เชื่อเขาเลยไม่มารับเขาเลยไม่มารับบุญ คุณขวัญใจครับเราต้องทําอย่างไรเมื่อเราเห็นจิตที่ร้อนรุ่มจากการไม่ได้ดังใจคะให้ดูเฉยๆเพื่อให้เกิดปัญญาเองหรือให้ระงับอารมณ์ที่หงุดหงิดนั้นครับก็ระงับก่อนได้กันดีใช้สติใช้คุณโถคุณอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราร้อนรุ่มพอเราไม่สามารถคิดถึงเรื่องนั้นได้อาการร้อนรุ่มก็จะหายไปถ้าอยากจะแก้ปัญหาคราต่อไป ไม่อยากให้ใจรร้อนก็อยากประยัดได้สิ่งนั่งใจอยากให้ยินดีตามเมตตามเกิดแทนแล้วเราก็จะไม่ร้อนคุณซาร่าครับการชอดนอนฟังธรรมก่อนนอนจนหลับไปถือว่าได้เจริญสติไหมครับแต่บางครั้งก็รู้สึกว่าเพราะตนเองไม่มีสติฟังคําสอนเลยทําให้หลับไปครับไม่ใช่เป็นการเจริญสติเป็นการเจริญการหลับการหมดสติ คุณพัชรีครับถ้าเราอยากจะส่งบุญให้ลูกๆเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เขาทาขํามาค้าขายได้ะจะเจริญเลืองสามารถทําได้อย่างไรครับทําไม่ได้นะบุญนี้เป็นไม่ได้ทำนะบุญนี้ไม่ได้เพื่อส่งเสริมให้เขาทาขํามาค้าขายเจริญรุ่งเรืองบุญนี้เขาเจริญทางด้านจิตใจแล้วเขาต้องเป็นคนทำเองถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เขาทําเองจะได้มากกว่า แต่ถ้าเขาตายไปแล้วพระธรรมเองไม่ได้เราถึงต้องส่งบุญไปให้เขาแต่ส่งให้เขาได้เพียงเล็กน้อยท่านี้คุณอัฏภกรครับความคิดกับปัญญาต่างกันอย่างไรครับเพราะการปฏิบัติให้เราตัดความคิดแต่ใช้ปัญญาก็ต้องใช้ความคิดเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าอันไหนคือความคิดอันไหนคือปัญญาครับความคิดนี่มันคิดไปทางปัญญาก็ได้คิดไปในทางกิเลก็ได้ แตส่วนใหญ่ของผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติผู้ที่เริ่มต้นปฏิบัติมีความคิดส่วนใหญ่จะไปทางกิเล ส, สทั้งหมดก็เลยให้หยุดมันก่อนหยุดความคิดหลนันี้ว่าเราสามารถใช้สติอยุดความคิดที่ไปทางกิเลสได้แล้วเราก็สามารถสั่งให้มันคิดไปทางปัญญาต่อไปได้ขั้นต้นหนึ่งทำสมาธิก่อนให้หยุดความคิดเม่ อ, อยุดความคิดได้แล้วเราก็จะเราก็ทับขั้นต่อไปให้มันคิดไปทางปัญญาให้มันคิดทางอริยสัจ ส, ส, สีที่ทำไปแล้ว อัน น, น, ญญนคุณเลตเตนฟลอร์ครับการเลี้ยงข้าวคนในครอบครัวถือเป็นบุญที่เราอุทิศให้พ่อแม่ที่ได้จากไปแล้วได้ไหมครับและอุทิศให้สรรพสัตย์ได้ด้วยไหมครับอันนี้เราก็ไม่ได้ไม่คิดว่าไม่ได้นะเพราะว่าถ้าได้ก็ไม่ต้องทําบุญนะเลี้ยงถ้าเลี้ยงวัตถุเล้คนในครอบครัวแล้วเป็นการทําบุญนะมันก็ก็ไม่ต้องไปทําบุญเพิ่นะ การทำบุญไม่ต้องทำกัคนที่เราไม่รู้จักคนที่เราเขาเดือดร้อนเสิให้ช่วยควาช่วยเหลือครับแต่คนในครอบกลัวยังไงเราก็ต้องเลี้เขาอยู่ดีใช่ไหมค่ะมันคนลอยางกันเราต้องไปเลี้ยงคนที่เราไม่มีความจมาเป็นจะต้องเลี้ยงแต่เราสงสายเขาอยากจะเลี้ยงเขาอยากจะช่วยเขาอย่างนี้อย่างนี้ถึงจะได้บุญได้ความสุขใจเลี้ยงคนในครอบกลัวมันไม่ได้บุญนะบางทีบ่นด้วยซ้าไป <laughs> เป็นหน้าที่ว่าครับเป็นหน้าที่มากกว่าที่ไม่ไม่ถือว่าเป็นการทำาคุณเอครับกับผมสั่งให้ลูกชายสิบเจ็ดและคนเล็กสิบสี่ให้นั่งสมาธิตอนสี่ทุ่มก่อนนอนทุกวันคล้ายๆกับบังคับทำแบบนี้ผมผิดไหมครับถ้าพปสั่งก็เ้าตัว เ, เอยไม่ทำนี่มันก็จะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ราต้องชวนก็มาทาร่วมกันเราจะดีกว่า การสั่งนี่มันเป็นกาน บ, บังคับซึ่งอาจจะทำเพราะเขาเกงใจเราหลือกลัวเราก็ได้ถ้าต่อไปเวลาที่เขาไม่อยู่กับเราแล้วเขาก็อาจจะไม่ทําม่ได้แต่ถ้าเราชวนมาทําแล้วเขาลบทากับเราด้วยความยินดีต่อไปเขาอาจจะทําต่อบไปเวลาที่เขาไม่ได้อยู่กับเรา คุณวีรวัลยครับการให้ทําเป็นทานคือการสร้างบุญแต่เหมือนคนจะไม่เชื่อที่เราบอกเราควรละเว้นคนเหล่า น, นั้นไหมครับคือการให้ธรรมทานนี่มันต้องต้องมีการลาดเทสาะไม่ใช่อยู่ดีๆก็ให้คนนั้นคนนี้ไปถ้าเขาไม่ต้องการให้ต่อไปเขาก็าาไม่รับเลยธรรมะเป็นของของของของที่เหมือนกับยาเนี่ยอยู่ดีๆยาวยาไปจากคนนั้นคนนี้เมื่อเขาไม่ พรไม่ต้องใช้ยาไปให้ยาเขาเขาก็ไม่ต้องการไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องดูคนที่เขาต้องการยาแล้วก็อยเอาอยาไปให้เขาครับคุณตุ๊กครับเพียงทําทานศีลโดยเน้นภาวนาใช้ชีวิตประจําวันเห็นจิตตนเองเดี๋ยวปรุงดีปรุงชั่วแล้วก็ดับเห็นความคิดกุศลและอกุศลเห็นความไม่เที่ยงของทั้งสองอย่างแต่ห้ามไม่ได้เหมือนจิตก็ไม่ใช่ของเราตัวเราแบบนี้คืออะไรเจ้าคะ ก็คือทำผิดไงเรื่องต้นเราการภาวนานี้ก็ต้องการหยุดจิตหยุดความคิดก่อนถ้าเราไม่หยุดความคิดเราก็มันทำอะไรไม่ได้เห็นไปเห็นมาก็ปล่อยมันเกิดดับไปเวลามันจะพยศขึ้นมาก็หยุดมันไม่ได้เรื่องต้นเราต้องการที่จะปราบความพยศต้องหยุดจิตให้ได้ก่อนถ้าเราหยุดจิตได้เวลาจิตพยศเราก็จะได้หยุดมันได้ คุณสมพรครับเวลาเราทําบุญแล้วเรามีความสุขเป็นความสุขที่ได้จากการทําบุญความสุขที่ได้จากการทําบุญคนในครอบครัวจะได้รับความสุขจากกันกับเพื่อนของบุญของความสุขถึงกันได้ไหมครับไม่ได้หรอกมันใครบุญมันต้องทำมันเองไม่ใช่คนหนึ่งทําแล้วก็เอาบุญมามแบ่งให้อีกคนหนึ่งคุณวิไลครับวันนี้ อยู่บ้านปฏิบัติศีลแปดแต่ได้ไปธุรสะสักครู่โดยการใส่เสื้อสีสันคุมชุดขาวเป็นการผิดศีลแปดหรือเปล่าคะไม่ไผิด ห, หรอกเพราะว่าเสื้อผ้านี่มันเป็นเครื่องแบบเท่านั้นเองอยู่ที่ว่าเราใส่เพื่ออะไรถ้าเราใส่เพื่อเพื่อให้ได้ความสุขนี่ถึงยะผิด่ถ้าใส่เสื้อผ้าเพราะมันมีเหตุจำเป็นที่จะต้องใส่นี่มันก็ไม่ คุณสิริครับการพิจารณาป่าชาเก้าและพิจารณาอสุภสิทธิ์ใช้แทนกันได้ไหมหรือมีนวยะอะไรหรือไม่ครับมันก็เดียวกันไดยป่าชาเก้ากับอสุภสิทธินี่ทักษเก้าชนิดแล้วทักษสิบชนิดนี่ถ้าเข้าใจไไม่ไม่ไม่ไมไม คุณป้องครับผู้ที่ฝึกเข้าอัปปนาสมาธิจนคล่องแคล่วแล้วขณะใกล้าตายจะกำหนดจิตยอยู่ในอัปปนาสมาธิได้หรือไม่ครับได้ถ้าเขาคล่องแคล่วเขาสามารถเข้าได้ทุกเวลาที่เขาต้องการคุณรินธดาครับพระอาจารย์คาลูกมักจะบอกพี่พี่น้องๆที่ชอบตบยุงว่าอย่าไปฆ่าเขาเลยเขามีชีวิตแค่เจ็ดวันเองอีกอย่างสัตว์ต่างๆเขารวนเป็นญาติเรา ก็ได้ลูกพูดแบบนี้ถูกต้องไหมคะไม่รู้เหมาอนกันนะไม่อยากจะตอบนะคุณก็คิดเอาเองเดูก็รับถือว่าป่าคุณสุใจครับคำว่ากรรมนำมาเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ทุกคนมีกรรมของตัวเองหมายถึงทุกคนมีชะตากรรมนำมาเกิดเลือกเกิดไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมครับก็เป็นอย่างนั้นนะคนดี คนทำกรรมดีไว้มาเกิดก็จะมาเกิดเป็นค น, คนดีคนที่ทําบาปไว้เวลามาเกิดก็จะมาเป็นคนที่ใจมิคนไม่ดีมันก็อยู่ที่กรรมที่เราทำํำมาคุณหมอตุ้มครับแฟนชอบสวดทุกวันช่วยเหลือสังคมตลอดนอนหลับไม่ตื่นอีกเลยแล้วเขาจะไปสู่ภพภูมิไหนคะ ก็ถ้าเราไม่มีไม่มียานอย่างซ้ำเราก็ไม่รู้เพราะว่าบุญกับบาป ท, ที่เขาทำนี้อันไหนมันจะมากมากว่ากันก็พูดได้แบบกว้างๆว่าถ้าบุญเขามากกว่าบาปเขาก็ไปสุขกติกถ้าบาปมากกว่าบุญเขาก็ไปสุขทุกติกคุณวีนาครับการเรียนถามพระอาจารย์ว่าคนที่ทุกข์ใจนี่แปลว่าคนนั้นมีนาลกอยู่ในใจใช่ไหมครับก็แล้วแต่ว่าทุกข์ใจเพราะอะไรมันมีหลายสาเหตุ ถ้าทุกข์ใจเพราะอาคาตพยาบาทนี้นก็มีนรกในใจถ้าทุกข์ใจเพราะความโลภความอยากก็เป็นเปรตคุณสารนิตครับแค่รู้แต่ละขณะ จ, จิตโดยที่ไม่ปรุงแต่งอย่างนี้ได้ผลอย่างไรหรือต้องทําหรือเปล่าหรือปรับอย่างไรครับคือถ้าไม่ปรุงแต่งได้ก็ดีมันถ้าไม่ปรุงแต่งได้ตลอดเวลามันก็ ก็ดีจิตกนจะไม่มีความทุกความทุกมันเกิดจากความคิดปลูกแต่งของเราเองนั้นถ้าเราไม่คิดปลูกแต่งได้ตลอดเวลาเราก็พ้นทุกข์เท่านั้นเองไม่ต้องปรับทำอะไรอย่างที่พระเจ้าบอกว่าเห็นอะไรใกล้สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรใกล้สักแต่ว่าได้ยินอย่าไปคิดปลูกแต่งของเรื่องที่เราได้เห็นได้ยินได้ยินไปให้ดูเฉยเฉยไป คุณคามีโอครับพระอาจารย์เจ้าคะคําว่าทําจิตใจให้ผ่องแผ้วหมายถึงการละความโลภโกรธลงหรือว่าการอยู่แต่ในคำบริกรรมพุโทโธไม่ให้จิตส่งออกแบบไหนคือเรียกว่าผ่องแผ้วเจ้าคะขอเมตตาพระอาจารย์อธิบายคําว่าจิตผ่องแผ้วครับก็จิตผ่องแผ้วก็คือจิตที่สงบระงรับจากความโลภความโกรธความหลงนี่ผ่องแผ้วนี่มันก็มีสองแบบแบบชัว่วคราวกับแบบถาวรถ้าเรา ร่ารับความโน้ความกดเล่าได้เป็นชั่วครัชั่วคราวเช่นเราเข้าสมาธิได้จิตก็จะผอกแพ้วตอนที่อยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมาจิตพอไปเห็นเรื่องๆๆๆๆนั้นเรื่องนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เกิดความโลภกดขึ้นมาได้ความผอกแพ้วก็จะหายไปแต่ถ้าอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้ความผอกแพ้วนิถาวรก็คือการกำจัด ก, กิเลสอย่างถาวรด้วยปัญญากําจัด เหตุก็คือความหลงที่ทําให้เราเป็นโลคคปามโกรธเพราะเราไม่เห็นว่าสิ่งที่เราโลภนั้นมัเป็นไตแล้วเป็นอนิจจทุกขังหน้าตาถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราโลภเราอยากได้เป็นอนิจจทุกขะทุกขังหน้าตาเราก็จะไม่อยากได้พอเราไม่อยากได้เวลาเราไม่ได้อะไรเราก็จะไม่โกรธอันนี้เป็นการระงับความโกรธแบบเท้าความโลภความโกรธแบบถ้าวอนแล้วมจะทําให้ใจเราผ่องแผ้วแบบเท้าวอน พอไม่มีกิเลสเราจะยืยในย ใ, ใ, ใจแล้ว ใ, ใจเราก็จะผ่อแพ้วตลอดเวลาคุณแม่พาครับถ้าเรามีแต่ลูกชายแต่ไม่มีโอกาสได้บวชเลยสักคนเราจะเป็นคนบาปไหมเจ้าคะ่ะไม่เกี่ยวกันหรอบถ้าเราไม่เป็นค่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ผิดศีลห้าเราก็ไม่บาปเราก็ไม่เป็นคนบาปคุณอาเมงครับ ก่อนตายคุณกําหนดจิตยอย่างไรครับที่ว่าทให้มันสงบให้มันนิ่งเฉยเฉยอย่าทุกขกับอะไรคุณภัยบูรณ์ครับการให้ทานอาหารยาและแสดงความรักต่อสุนัขเป็นประจําอนิสงส์ที่ได้รับคืออะไรครับก็เป็นการทางดูทําทานทานไปก็ได้ไปสวรรค์นขณะที่อยู่ก็มีความสุข คุณอนุวัตรครับการดื่มสุราคนที่ดื่มทุกคนต้องตกนรกทุกคนไหมครับแล้วผลกรรมอะไรของการดื่มสุราที่ทําให้ตกนรกครับเราดื่มสราตามลำพังไม่ไม่ไม่ไม่เป็นบาปไม่เป็นเหตุที่ให้ไปตกนรกที่จะไม่ตกนรกเพราะว่าดื่มแล้วเมาแล้วเกิดไม่สามารถควบคุมรมไม่สามารถควบคุมความคิดที่จะทำบาปได้แล้วก็ไปฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้ยังมัน่าที่จะไปตกนรก การเดือดชราเดินลำพังนี้ไม่เป็นไม่ใช่เป็นเหตุที่เราให้ไปสุนทรกลกการเดือดชลามาแล้วก็นอนหลับครอบไปนี่ก็มันเข้าไม่มีปัญหาอะไร แ, แล้วหนึ่งต้อไปอารวาสไปทําร้ายน่างขายเป็นทำร้ายชีวิตของบุญอันนี้ไปนรกทํารไปนรกไปเพราะไปไ ป, ไปทําบาปไม่ใช่ไปออดเดือดชราเหตุเดือดชรานี่มันเป็นเหตุที่จะให้คนไปทําบาปได้ง่าย ให้ก็เลยปัจจุไมใ่ในสีน่ทาด้วยแต่บาปจริงๆมีแค่สี่ข้อคือการค่าสัตว์รักาประพฤติผิดประเพณีพูดปกแต่ถ้าไม่ดื่มถ้าดื่มเช้าแล้วมันจะทําให้ไม่มีสติควบคุมเวลาที่จะคิดทําบาปมันก็จะไม่มีอะไรมายับยัง้งก็เลยต้องใช้ห้ามดื่มเช้าล้วเพื่อจะได้ป้องกันพอไหมคนเมากับคนไม่เมามเมานี่ยจะต่างกันใช่ไับ ความนอนี่จะเรียบร้อยผูดจารี ด, ดีแต่คามนอนนี้แล้วเท่ากับปกปียาการขอตนไม่ได้คุณโรบินครับถ้าพ่อแม่เล่นการพนันได้ช่วยใช้หนี้หลายครั้งแล้วต่อไปก็ไปสร้างหนี้อีกถ้าต่อไปเราไม่ช่วยแบบนี้บาปไหมครับไม่บาปเราเพียงแต่ไม่ได้บุญเท่นี้การช่วยคนนั้นคนนี้ก็เป็นการได้ไดบุญแต่การช่วย เราจะได้เงินเดือนอาจจะไปส่งเสริมให้เขาเสียได้เพราะว่าเราไปช่วยเขาท่านได้ทํำในสิ่งที่ไม่ดีต่อไปพล้วการเรื่องการพนันนี้ถือว่าเป็นอันหายอย่างงี้เป็นโทษมันก็เป็นคุณงั้นเราไม่ควรที่จะไปส่งเสริมเขาเขควรให้เขามีหนี้ของเขาไปถ้าใครเขาใช้หนี้เขาไปเราจะได้เราจะได้เลิกเล่นได้ทำเขาไม่มีเันที่จะไปเล่นต่อ เป็นตรงนี้เป็นคำถามสุดท้ายที่ส่งเข้ามาวันนี้ครับอาจารย์ครับคุณอิเล็กโรครับมีเหตุอะไรจะช่วยให้อินทรีห้าพละห้าเข้มแข็งได้ครับก็เริ่มต้นที่ศรัทธาอินทรีห้ามันมีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาวิธีทำให้ศรัทธามีมากขึ้นก็คจะต้องเข้าหาผู้รู้อยู่ใกล้ผู้รู้ศึกษาจากผู้รู้จากพระพุทธเจ้ารจากพระวริยสงสาร เลาที่เราได้ยินได้ทำทำ ไ, ได้สนทนาทำทำ่านแล้วมันจะทำให้เราเกิมีศรัทธาที่เราจะทําความดีตามที่ท่านสอนมันก็จะทําให้เรามีวิริยะรื่มขึ้นความปร ะ, ยะหยัดหักเพียรที่จะเจริญทำที่ท่านสอนเราจะเจริญก็คือสติสมาธิและปัญญามีคําถามเข้ามาเพิ่มครับอาจารย์คุณคารมิโอครับหากพระเถระรสังขานเราควรกล่าวคําว่าน้อง ถวายความอะไรและใช้คําว่าขอหนอมส่งสู่พระนิพพานไม่ได้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะหรือว่าควรใช้คําไหนที่ถูกต้องเจ้าคะ่ะไม่ต้องใช้เลยก็ได้เฉยๆไปก็ได้เพื่อรับทราบไปนี้ไม่จำเป็นจะต้องส่งท่านไปอะไะตอนนี้เป็นเรื่องของสังคมทงางโนกมากกว่าเวลาใครก็เกิดเหตุการณ์อะไรก็ขอแสดงความเสียใจอะไรนี่มันก็เป็นแค่คําพูดอนะไรนี่ไม่ไม่ไม่มีความหมายสาระประโยชน์ เืออให้ท่านไปสู่สุคติท่านจะไปสู่สุคติหรือไม่ไม่อยู่ที่คาของเราเหรอกใไหมวิธ <Okay. S 1> ีนี้ก็เฉยๆไปถ้าพูดตามหลักทำั้นก็เฉยๆไปไม่มีคำจะเปจะต้องพูดอะไรกไปช่วยงานของท่านลถ้าท่านมีงานที่วัดงานศพของท่านก็ไปช่วยทำเปิลดลงทางนี่ไปไหนไปไม่เห็นจะมีคำจะไปจะต้องพูดอะไร คุณเอกชัยครับดื่มเหล้าแล้วขับรถชนคนตายโดยไม่ตั้งใจอย่างนี้ตกนรกไหมครับเพราไม่ตั้งใจได้นะเมื่อขับรถไปแล้วมันก็มันก็ตั้งใจจะขับนะแล้วมันก็จะรู้ว่ามีโอกาสที่จะต้องชนคนตายได้จะเรียกว่าไม่ตั้งใจมันคงยังไม่ไม่ถูกถ้าไม่ตั้งใจก็อย่าไปขับสิถ้าเรารู้ว่าเราเหลืองเราเราเราเมาขับไม่ขับรถไม่ได้นะแล้วก็ไม่ควรที่จะขับครับผม อาจารย์ตอนนี้เราตอบได้ครบทุกคําถามเลยครับอาจารย์ครับก็ดีก็ดีเวลากใกล้จะหมดคนนี้อ๋อมีอีกแล้วครับอาจารย์มาเข้ามาเพิ่มครับคุณภัยบูรณ์ครับสุนัขจรที่ถูกเก็บมาเลี้ยงดูแลอย่างดีตายไปอย่างนี้เขาจะเป็นอะไรครับก็ก็ไปตามบุญตามบาปของเขาถ้าบาปของเขาหมดก็อาจจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปถ้าบาปก็เท่ากับที่เขาทาไว้ แต่ถ้ายัางไม่เท่าครก็ง่าจะกลับมาเกิดเป็นสัตว์อย่างอื่นต่อไปก็อาจจะกลับมาเป็นไม้ก็ได้อาจจะเกิดเป็นนกก็ได้เป็นแมวก็ได้แล้วแต่คุณกำมลรัตน์ครับมีคนที่จงใจทําร้ายเราแต่การกระทําเขาส่งผลให้นักเรียนเสียผลประโยชน์อย่างใหญ่หลวงคือหมดสิทธิ์ได้ทุนการศึกษาจากสมเด็จเรามีวิธีคิดอย่างไรให้ไม่เสียใจเจ้าคะก็เป็นเรื่องกรรมของเราไปก็แล้วกัน เไม่มีบาป ก, กรมรมก่ที่เาอาจจะเคยทำบาปกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งมาสบพผลให้เข้าต้องมารับผลตอนนี้คุณ next gen ครับการอโหสิกรรมคนมีชีวิตเท่านั้นที่ทําได้ใช่ไหมครับการอโหสิกรรมก็คือเราไม่ไปจองเวรครับที่เขานะเราเราก็เฉยเฉยให้สบายกาไปเรียกว่าอโหสิกรรม ถอยคนตายไปแล้วมันก็มันก็ไปเอาศีกรร ม, มกับเขาไม่ได้นะครับแล้ ว, วเราเรามันก็ไปทำร้ายเขาไม่ได้อยู่ดี ค, คุณจ่ารึกครับการเป็นฆราวาสมีหลักการเจริญอริยมรรคอย่างไรครับก็เหมือนกันการทาทานศีลภาวนาไปทำําทานรักษาศีลภาวนาตามธรรมของเรา ตอนนี้หมดแล้วครับอาจารย์ครับยัง <laughs> ไม่ที่ใครส่งเับามาเพิ่มพับหมดทั้งหมดครับอาจารย์ครับได้ก่อนเวลา3นาทีสิ 4, 3นาทีครับอาจารย์ okay. มีผู้ชมผู้ฟังทั้งหมด oh. วันนี้มี f เ c e b o o k 725คนใน y o ย t u b บ530ขับหาว9ครับมีผู้ฟัง 1,264 คนครับพระอาจารย์ครับก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาเริ่มฟังมมกันหวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็ น, น้อยนำนามาไปใช้ส่งเสริมการปฏิบัติให้ก้าวหน้าลอ่งต่อไปอาการชำรัธรรมสำหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอหยุดถอยไว้เพียงทะนี้ ขอให้ท่านจรงนั้นำเราสินี้ท่านได้ยินได้ังไปเพื่อนีน่จะเปจริญนาและไปปฏิบัติเพื่อความสุขการเจริญข้าวหน้าเนี่ยทำยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอขาทุกขุก็ขอราท่านผู้ชมผู้ฟังและคุณหมอว่าเพลงตัวนี้ถ้าอาทิตย์หน้าไม่มีเหจุกาเณ์ท้อนะไรก็คงจะได้พบกันอีกครั้งเช่นเคยเช่นเคย<า>ขอเจริญพรกลับขอบพระคุณครับอาจารย์ท้า